จากการที่ได้อธิบายทำแล้วก็มีการถามทํเปรามาในทางเพจก็จะได้ไลฟ์ตอบออกไปสำหรับผู้ถามจากนาราชินปินนี่พี่เจ้าประจําก็คงจะเป็นประจําคือฮะถามว่าผลไม้อะไรที่ควรหอยพระและผลไม้อะไรที่มีควรหอยพระอ่ะ ผลเราตอได้ไหมผลไม้อะไรที่ควรถวายพระและไม่ควรถวายพระทุเรียนทุเรียนเหรอทำไมทำไมถึง ไ, งไม่ไมไมถเพราะอะไรอยากกินกินได้กินจะสนองความอยา่างของพระใช่ไหมถ้ากินได้นั่งได้นะทุเรียนก็ไม่ทราบว่าผู้ที่ตั้งคําถาม น, นี้ขึ้นมามุ่งประสงค์จะทราบเรื่องผลไม้ ในลักษณะไหนหมายถึงว่าจริงๆเรื่องผลไม้ชนิดที่เป็นอาหารคือเป็นอาหารการกินที่ไม่ไ ม, มไม่มีพิษเนี่ยก็ไม่ได้ทรงบัญญัติห้ามในผลไม้ชนิดไหนยังไม่เคยเจอข้อห้ามมีม้ห่ะมีแต่วิธีปฏิบัติต่อผลไม้ก่อนที่จะนำมาฉันใช่ว่าภิสูุไม่พึง่งรับประเทนผลไม้ ที่ยังไม่ได้ทำลายพืชในตัวของผลไม้ชนิดนั้นคือทั้งผลไม้ทั้งผักทั้งพืชประเภทอื่นที่สามารถเกิดงอกได้ไน่แน่หลมีมีเมล็ดที่สามารถงอกได้พระเจ้าบอกว่าจะเป็นพืชหรือผลไม้หรือเป็นอาหารที่เกี่ยวโยงกับพืชชนิดใดก็ตามที่สามารถเกิดงอกได้ใหม่ท่าที่สุดจะต้องทำกับปียะต่อ พืชผักและผลไม้เหล่านั้นก่อนเพื่บริโภคหมายถึงว่าถ้าพิสูจไม่ทํากัปปิยะดยอมเอาผลไม้ไม่ว่าจะไปชิ้ไหนก็ตามนะเอามาถวายพระพิสูจคือผลไม้เพื่อฉันเนี่ยเพื่อบริโภคเนี่ยแล้วพิสูจนไม่ได้ทํากัปปิยะคือไม่ได้ทําให้เป็นของสมควรกัปปิยะแปลว่าสิ่งที่ควรแก่พระพิสูจนเนื่องด้วยว่าครั้งพุทธการก็ถือว่าพืชผักผลไม้เนี่ยเป็นพืชผักและกับผลไม้เป็นสิ่งที่มีชีวิตการที่พิสูจทําลายพืช รือทำลายผลไม้ที่สามารถเกิดมอกใหม่ได้คือว่าเป็นการทำลายชีวิตไม่ควรแก่สมณะผู้ทรงเทศเป็นองบวุอย่างนี้ผู้ไม่เบียดเบียนไรยาไปทำลายชีวิตแม้กระทั่งพืชถวา ย, ยาพระศาสดาจึงเอามูลเหตุนีมาบัญญัติให้พระที่สุการทำกับปิยะก่อนที่จะบริโภคพืชผักและผลไม้ที่โยมนำมาถวาย คือถ้าเป็นผักพิสูจนก็ต้องถามโยมก่อนแล้วว่าเป็นวินัยกรรมว่ากับเปียงกับโรนี่หมือว่าจงกระทาให้เป็นของสมควรคือให้ควรแก่พระพิสูจที่จะฉันได้หรือเป็นภาษาไทยบ้างทาให้เป็นของสมควรก่อนอย่างเงี้ยหรือท่านจงทำให้ใ ห, ให้ให้พืชผักหราานะือไม้นเป็นของสมควรกิริยาในวินัยกรรมที่ถูกกําหนดไว้กิริยาที่โยมพึงกระทําก็คือใช้เล็บจิกหรือเด็ดให้ขาด หรือใช้มีดแทงหรือใช้อุปกรณ์อย่างใดอย่างหนึ่งที่สามารถทําลายพืชพันธุ์นั้นพืชพันธุ์ที่ถูกทําลายด้วยการเด็ดให้ขาดหรือจิกด้วยเล็บหรือปูกแทงทําลายพืชหรือสําเร็จด้วยความร้อนคือไฟเผาไม่สามารถที่เกิดขึ้นได้อีกอะไรที่นั่หรือทําไงก็ได้ที่ม่ไ่ไม่ให้มันเกิดอีกได้อีก แปลว่เป็นกิริยาที่แสดงออกให้เห็นเป็นของสมควรแก่พระพิสุทแล้วหมายถึงว่าพิสุไม่ได้ทําลายพืช น, นั้นด้วยตัวเองแต่โยมกระทําให้เป็นของควรแก่การบริโภคแก่การฉันของพระพิสุทธิ์จร้อยแล้วพิสุจึงควรจะฉันได้ในพืชผักและผลไม้นะั้นอันนี้จํากัไดไเฉพาะพืชผักและผลไม้เพราะฉะนั้นทุกครั้งที่พระพิสุทจะรับอาหารที่เป็นพืชผัก หรือผ ล, ลไม้ทิ้งสูจะต้องถามโยมผู้นำมาสัมภารก่อนว่าทําให้เป็นขอสมควรก่อนหรือว่ากล่าวกับโยมว่าจงทําให้เป็นของสมควรเถิดยโยมก็ต้องทําลายพืชนั้นโดยการเด็ดให้ขาดจิกหรือใช้มีดแทงเข้าไปในพืชผักหรผ ล, ลไม้นะั้นแล้วกล่าวว่ากับปียังพันเตแปลว่าสมควรแล้วครับท่านผู้เจริญหรือท่านผู้เจริญเป็นสิ่งที่สมควรแล้วครับ ทีนี้อาตมาเห็นว่าภาษาที่ควรจะใช้สื่อสารให้เป็นทราบทั่วกันก็คือใช้ภาษาไทยอาตมาจึงถามโยมทุกครั้งทาให้เป็นของสุขควรก่อนโยมทำให้เป็นของสุขควรเกิดโยมก็ตัดเด็ดแล้วทําให้ขาดเป็นของสุขควรแล้วครับท่านผเจริญนีน่คือข้อปฏิบัติจึงสามารถรับพระเและฉันได้แต่ไม่ได้มีข้อห้ามว่าผลไม้ชนิดใดไม่ควรรับ ไม่ได้ห้ามแต่ห้ามในข้อเรื่องเนี่ยเรื่องเรื่องการทํากัปปิยะเนี่ยพิกูจน์จะฉันต้องทํากัปปิยะก่อนหากไม่ทํากัปปิยะก่อนหรือมีในกรรมในข้อ น, นี้ก็ต้องมีโทษในการฉันและบริโภคนะไปที่อื่นไม่ค่อยเห็นกันใช่ไหว่าที่นี่จะเห็นเออทำไมท่านทําอะไรกันทําำถือของสมควรอะไรในชะ่โยกกระติ ก, กให้ขาดนี่นะนคือเป็นที่ในกรรม ผลไม้ที่ห้ามไม่ไม่ค่อยจะเห็นที่ห้ามไว้นะไม่มีแสดงว่าควรในทุกๆกรณีอยู่เหมือนกันเรื่องผลไม้นี่นะทารับมะม่วงเป็นรูปเป็นรูปครับฮะมะม่วงทํารับเป็นรูปถ้าทําลายพืชได้แล้วได้เลยครับทําลายพืชแล้วได้แต่ละชื่อไม่ใช่มงคลอย่างเงี้ยเอออยังไม่ให้เอาเป็นมุขไหว้เจ้าไม่ ว่านั้นก็ละเรื่องหมายเนี่ยว่าสิ่งที่จะนามาถวายพระพิสุเขามองว่าถือว่าเป็นชื่อไม่เป็นมงคลแล้วก็ถามว่าน้ําอะไรที่มีควรถวายพระอันนี้เราสามารถทราบได้เลยนะน้ําที่มีควรถวายพระโดยที่ไม่จําเป็นจะต้องไปดูพระบัญญัตเราก็รู้อยู่ในสามมาสา น, นึกอยู่แล้วนะน้ําที่เป็นของเครื่องดองของเงาใช่ไหมเรา เล่านั่นแหละว่าเนี่ยคือห้ามแน่นอนอยู่แล้วแต่ถ้าไปเปิดดูในภายบัญญัติมีน้ำอะไรที่ควรห้ามน้ำนมน้ำนมควรห้ามไหมห้ามจากพิษสูไหมห้ามน้นมห้ามนะห้ามเลยองมเทมเกี่ยวอะไรกับของมันไม่อฮะ่ามาเล่ามาหมายถึงว่าห้ามนี้หมาว่าห้ามชั้นไม่ได้เกี่ยวกับการ ว่าในวิการหรือใ น, รในการในการคือเช้าชั่วเที่ยงในวิการคือหลังเที่ยงไปจนถึงวันใหม่หรือวิการในวิการาห้ามแน่นอนเพรามถือว่าเป็นอาหารภิกษุฉันไม่ได้เ น, ฉนยฉันได้โยเกิร์ตก็ฉันไม่ได้ชีสฉันได้ในวิการน้ําอะไรที่ไม่ควรเข้ายก็คงจะเป็นน้ําเมาน้ํา น้ำอื่นๆก็คงถวายได้ทําไมถึงใช้ว่าคงจัด ก, ก็ยังไม่เคยเจอค้อมห้ามเกี่ยวกับน้ำนอกจากจะพูดถึงเรื่องในวิการว่าน้ําที่มีควรถวายคือน้าประเภทไหนน้ําที่ควรเป็นปานะคือน้ําประเภทไหนอะไรประเภทเนี้ยแต่ น, นี้ไม่ได้ถามถึงปานะอันนี้ถามว่าน้ําอะไรที่มีควรถวายอาจารย์เขากงยงเขาถามนเพิ่มก็ได้ถาม้นในที่ควรจะถวายอะไไม่ควรถวายหลังเที่ยง หลังเที่ยงนมน้ำที่เป็นนมน้ำที่เป็นน้ำข้าวนอกจากที่สุอาภาได้น้ำนมถั่วเหลืองก็ไม่ได้น้ำนมตัวเหลืองก็ไม่ได้น้ำเต้าหู้ไม่ได้เต้าหู้ก็ไม่ได้เป็นพันยืไม่ได้ถ้าเป็นน้ำปลาหน้าเช้ปลานก็เป็นผลไม้น้าผลไม้ที่เป็นปลาหน้าที่คั้น คั้นจนไม่มีกาดเหลือเป็นแต่น้ำรัว่วๆได้ใช่ผลไม้ก็กล่องก็ได้น้ำเต้าหู้ก็ไม่ได้ไไดถามว่าเรื่องที่พระพุทธเจ้าควรให้เราคิดมีอะไรบ้างครับ เ, เรื่องที่พระุทธเจ้าเอ า, เอาเรื่องที่พพุทธเจ้าไม่ให้คิดดีกว่า เรื่องเรื่องที่ไม่ควรคิดนะเรื่องที่มีควรคิดมีเขาเรียกว่าอจินไตคือคิดแล้วก็ไม่มีประโยชน์ว่าคิดแล้วก็ไม่สามารถได้คำตอบจากสิ่งที่คิดมีเท่าไหร่สี่อจินไตสี่หนึ่งเรื่องอะไรกรรมพังกรรมเรื่องกรรมคิดยังไงก็ไม่สามารถคิดได้คิดคิดยังไงก็ไม่ได้คำตอบว่า หลักของกรรมเรื่องของกรรมที่ส่งผลให้กับชีวิตเราเออาากมะจากกรรมชนิดไห น, นก็คิดยังไงก็ไม่สามารถที่จะคิดได้หรือว่าการให้ผลของกรรมของกรรมชนิดนี้อย่างเช่นพระเจ้าอะไรพระเจ้ามิลินทำพระนาคเสียมรา ก, รรมก็ในบรรดาอจินไตยคือสิ่งที่เป็นอจินน่ะคือสิ่งที่เกินกว่า ความคาดคิดหรือสิ่งที่อยู่ภายใต้การควบคุมทางความคิดหรือสิ่งที่จะคิดคาดคิดถึงเนี่ยอาจินไตสี่ประการคือหนึเรื่องกลางสองพุทธวิสัย3เรื่องโลกว่าโลกมีที่สุดโลกไม่มีที่สุ ด, โ ล, สดโลกมีเกิดแล้วตายอีกหรือไม่ตายแล้วเกิดอีหรือไ ม, ออไม่อย่างเนี้ยไม่มีทางคิด ห, หาคำตอบก็ไปได้ในการคิดแล้วก็เรื่องฌาน4อย่างนี้เนาะรื่องฌานคือวิสัยของผู้ทรงฌานว่าเป็นอย่างไร เช่นผู้เข้าฌาญแล้วไม่กินข้าวไม่กินน้ําสามารถนั่งอยู่อย่างติดต่อเรื่องกันถเจวันได้อย่างเงี้ยพอเล่นนาฬิกาได้ทำไมถึงพอได้ยังไงโอเคเนี้ยก็เลยมีความสงสัยคือพระเจ้าพยายามีดินสงสัยว่าฌานวิสัยกับกรรมวิสัยต่างก็เป็นอคติใจคือเป็นสิ่งที่อยู่เกินกว่าสิ่งที่จะคิดได้ก็คือเป็นเป็นเรื่องของอคติใจนั่นแหละฌานวิสัยกับกรรม การเรื่องเรื่องการที่ผลของกรรมทีนี้เมื่อพระโมคคัลลานะเป็นผู้ทรงฌานมีอิทธิฤทธิปฏิหารมากมายใครมีตัวขององค์ท่านแต่ทําไมเวลาจนมามาฆ่าท่านท่านทําไมไม่ใช้ฌานตัวนี้หนีเพราบ อ, อกอเป็นเรื่องของกรรมกรรมก็เป็นส่วนหนึ่งเนาะเ ป, นเป็นวิสัยเป็นกรรมวิสัยอยู่ในอจินไตย กรรมเนี่ยที่พระโหมดคณะเคยทําร้ายบิดามารดามาก่อนใช่ไหมจึงทำอมาม า, ม า, มาทำให้ถูกโจนถูกตีโจนนั้นไม่ใช่บิดามารดาเก่านะแต่แต่เป็นอดุดภาพของกรรมที่บรรดาให้มีโจรมาทําร้ายทุกตีจนถึงแก่ชีวิตก็ในเมื่อกรรมนั้นก็อยู่ในส่วนอาจินไตฌานก็อยู่ในส่วนอจินไตทำไมอจินไตกับอัจิจัตอจินไตไม่สามารถแก้ไขกันได้ เราต้องสามารถใช้ฌานพมกันได้ไม่ใช่หรือไม่ได้หรือวะพระนากเกษมก็เลยแก้ว่าฌานถึงแม้จะเป็นสิ่งอจินไตก็ตามแต่เป็นอะจินไตยอยู่ในส่วนของกรรมอยู่คืออยู่ภายใต้กฎของกรรมเพราะนั้นกรรมจึงเป็นสิ่งที่ยึนเหนือวิสัยของของอจินไตในหลายๆเรื่องหนึ่งกรรม น, นนะเป็นพลังอันหนึ่งที่ ยากมากที่ใครจะสามารถลวงรู้เรื่องของกรรมในการจำแนกได้ว่ากรรมชนิดนี้จะให้ผลแบบนี้กรรมชนิดนี้จะให้ผลแบบนี้แต่พระพุทธเจ้าเราทรงทราบทรงจำแนกถึงเป็นกรรมเนี่ยจินเป็นอยู่ในพุทธวิสัยเท่านะั้นเป็นวิสัยที่พระเจ้าจะสามารถคำนวณได้แต่ระดับของสาวกคำวนวณได้ยากมากเรื่องของแก่กรรมนี่นะเพราะฉะนั้นมีการแก่กรรมทุก ว, วันนี้หรือว่าเป็นแก้กรรมกันแบบผิดๆกันเทนะ่านั้นเพราะไม่มีใครสามารถล่วรู้เรื่องกรรมเพราะมันสิ่งที่อยู่เหลือวิสัยของคนทั่วไป แม้แต่พระ อ, อรหันต์ก็ยังไม่สามารถที่จะร่วรู้ได้เรื่องกรรมเนี่ยว่ามันจะมาในมันให้ผลแบบไหนทําไมถึงให้ผลแบบนี้ทําไมคนเนี้ยดีดีแต่ทําไมทําไมถึงเจอแต่เรื่องไร้ไรอะไรประเภเนี้ยบางทีเราไม่สามารถที่จะบอกได้เรื่องของกรรมหรือบางทีเราไม่เคยขโมยของใครแต่ทําไมของเราถูกขโมยหาบอกว่าชีวิตไปไปตามกรรมเราก็ไม่เคยกระทํากรรมชนิดถูกขโมยขโมยของใครมาก่อนทําไมของเราถึถูกขโมอยอะไรประเทนี่ย คือเรื่องของกรรมนี่ยากบางคนทําดีตลอดชีวิตไปตกนรกก็มีบางคนทาชั่วตลอดชีวิตไปขึ้นสวัสดิก็มีมีนะเอาอย่างนี้แล้วไหนบอกทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วเนี่ฮะมั น, มนเรื่องเรื่องอย่างเราคิดคิดกันยังไงก็คิดไม่จบหรือจนมีคํากล่าวที่บอกว่าทําดีได้ดีมีที่ไหนทําชั่วได้ดีมีถูกไปหลักกา ร, รที่พวงทรงทราบหมถึงว่าพวงทราบเรื่องกรรมว่าชีวิตไปไปตามกรรมแน่นอนแต่การจะได้เสวยผลกรรมน่ะ อาจจะไม่ใช่ช่วงเวลาหลังจากที่เขาทำกรรมชั่วเสร็จแล้วมันอาจจะสงผลอีกรบชาติต่อไปหรือชาติต่อไปไม่สงผลต่อต่อไปไมันต้องสงผลมันไม่ใช่ว่าทำแล้วกุ๊บจะได้ตอนนี้และบางคนทำไมทำตอนนี้แล้วได้ตอนนี้ก็มีในปัจจุบันชาตินี้บางคนก็มีอันนั้นก็เป็นวิสัยของกรรมอีกแนลยหมายถึงว่าหากเขาทำกรรมชนิดที่มีกรรมดีน้อยมาก่อน แต่กรรมชั่วมากแม้ทำอีกนิดหนึ่งกรรมชั่วก็ให้ผลได้ทันทีในปัจจุบันเป็นอย่างนี้เพราะนเรื่องของกรรมนีมน่มันอยู่เหนือพุทธวิสัยเอ ม, มันอยู่เหนือวิสัยของคนทั่วไปแต่อยู่ในพุทธวิสัยที่สามารถรู้ได้ถามวา่าเรื่องที่ไม่ควรคิดมีอยู่4อย่างนะหนึ่งเรื่องโรค 2. เรื่องเพอพุทธเจ้าพพุทธวิสัยวิสัยอย่ความรู้เจ้าสามกรรมวิสัยวิสัยอย่างกรรมสี่ ฌานวิสัยวิสัยของผู้ทรงฌานไม่ต้องไปคิดอ่ะคิดไปก็ไม่ได้คําตอบคิดได้แต่ไม่ได้คำตอบพวกคิดมากๆในเรื่องอจินไตนี้ผู้เยาบอกว่าหาคิดไม่หยุดมีส่วนแห่งความเป็นบ้าได้ฟุ้งซ่านได้ติดฟุ้งซ่านหาคำตอบไม่ได้จะวนเวียนอยู่ในความคิดอย่างเงี้ยทำไมถึงเป็นแบบนี้ทําไมถึงเกิดอย่างงี้ทําไมอย่างงี้ทำไมอย่างงี้ทําไมถึงอย่างงี้ทำไมทําไมทำไมทําไมทำไมอยู่ในหัว ทำไมทำไมทำไมทำไมตายประสาททำไมดอยก็ยังดีอยู่ทำไมถึงเป็นอย่างนี้อะไรนะนะพี่เด็กกรรมอะไรให้คนไม่ต้องพี่ดมันพระเจ้าบอกว่าอย่างนี้ไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยแล้วเรื่องที่พระเจ้าให้เราคิดสิ่งที่พระเจ้าอยากจะให้คิดมากที่สุดก็คือ สัมมาสังกปปะใช่ไหมสัมมาสังกะปะสัมมาสังกะปะสังกะปะแปลว่าความคิดความดริใช่มสิ่งีองค์อยากให้คิดคือคิดอยู่ในสัมมาสังกัปะนี้ให้มากที่สุดสัมมาสังกะปะมีอะไรบ้างความคิดที่ถูกต้อ ง, งอะรดริออกจากการใช่มคืออะไรคำมาสังกะปะอะไรดริอะไ ร, ะไรคิดอะไรคิดเรื่อหยหอีก อาวิยิ้งสาสังกปะคิดในเรื่องของความไม่เบียดเบียนดาราอีอะไรที่พระศาสดาเราสอนให้คิดในเรื่องของมรนะมรณะนี่มรณนะทางเดินนั่น น, นี่สิ่งที่เราจะต้องเดินตามาศาสนานั่นนี่เรื่องที่เราต้องเดินเส้นทางที่เราต้องเดินไม่หนิมรณะนี่แปลว่าเส้นทางที่เราจะต้องเดิ น, นวความคิดนี่คือเส้นทางเลยนะเส้นทางที่สืบต่อมาจากสมาธิผี ความคิดหนึ่งดริอุตสาหกรรมสองดริในความไม่เบียดเบียนสามพยาบาทมิตกเถื่อ ค, คิดในเรื่องของการที่ไม่ถูกใจเจ็บหรืออาฆาตพยาบาทใครหากมารรคนี้ไม่บริบูรณ์มรรคอื่นจะบริบูรณ์ได้ไห ม, ไ, มได้หากมรรอนี้ไม่บริบูรณ์ก็เป็นเหตุมาจากสมาธิจิตไม่บริบูรณ์ ใช่คือความเห็นไม่ถูกต้องเมื่อความเห็นไม่ถูกต้องความคิดจะถูกต้องได้ไหมความคิดจะถูกต้องไม่ได้ความคิดจะถูกต้องได้ก็ต้องมาจากความเห็นที่ถูกต้องความเห็นจึงเป็นสิ่งที่มีความสําคัญแล้วโบจึงทรงตรัสสอนเรื่องความเห็นคือสมาธิิตนี้เป็นบาดเบื้องต้นคือเป็นเส้นทางเดินที่เราจะต้องเดินก่อนก่อนที่จะเดินในเส้นทางต่อไปเมื่อเราเดินในเส้นทางของสมาธิได้แล้วสมาสังกปะจะเป็นเส้นทางต่อจากสมาธิติให้เราได้เดินต่อไปอีก เมื่อเห็นถูกต้องย่อมคิดในสิ่งที่ถูกต้องและความคิดที่ถูกต้องก็คือคิดในการไม่พยาบาทเปี่ยนเวียนไยคิดในการที่จะนีออกจากกรรมเนี่ยการคืออะไรบ้างคือรูปเสียงกลิ่นรสและอารมณ์อันเป็นที่น่ารักใ่หน้าพอใจหน้าปรารถนาหน้าเพลิดเพลินหน้ายินดีหน้าอะไรหน้ายึดถือหน้าครอครองหน้าต้องการหน้าที่อยากจะเสพแล้วเสพอีกเนี่ยหน้าที่จะเป็นสิ่งยิน หน้าที่เราอยากจะได้มาทาไหคิดแล้วอยากจะได้มาเคิดแล้วอยากจะเอามาคิดแล้วอยากจะซื้อมาคิดแล้วอยากจะได้ครอบครองประเภทนี้การเบียดเบียนคืออะไรวิหิงสารวิโตเบียดเบียนคืออะไรฮะยอชาติบอกฆ่าสัตว์รักษาพุทธินิยามโกหและดึสุลาปิเบียดเบียนใช่ไหมเบียดเบียนอะไรอีกพยาบาทวิโต ัยาบาลนี่คืออะไรนะในระดับชาวพุทธรดับผู้ศึกษาตอบหน่อยนี่นีระดับผู้ศึกษาจะคิดนานอยู่แล้นี่แล้วระดับผู้ไม่ศึกษาจะขนาดไหนอาคาตหน่อาคาตสองจองเวนไม่จองอาัยรให้กันทักที คิดถึงแต่โทษของเขาซ้ำซ้ำๆากซากยำยำซ้ำซ้ำอยู่นเเั่นแหละอะไรอีกแค้นเคืองค่าค่าแข้นเคืองอะไรอีกเพ่งโทษเอ้าเพ่งโทษจัดอยู่ในพยาบาลด้วยนะยชาติของเพ่งโทษจัดอยู่ในพยาบาลด้วยเอาจัดอยู่ในพยาบาลนะทีนี้อะไรอีก <lending> เอาคืนเอาคืน กูไม่ยอมมึงอะไรอีกพยาบาลได้ไหมมึงกับกูอยู่่โลกกันไม่ได้อ้าว<ป>แช่งร<ป>ั<ๆ>กนะกระดูกันเอาอะไรอีก อ, อะไรมาที่นี้เริ่มคิดได้นี่คือนี่คือความจริงอยู่ในชีวิตของเราคิดได้แล้วใช่ไหมนี่ทำมาจริงจริงแล้วนี่อยู่ในตำราหรืออยู่ในวิถีชีวิตของเราที่เกิดขึ้นกับชีวิตเรานี่แหละพยาบาลเป็นยังไง <c oughs> อะไรอีกเนี่ย แค่นี้ไปแย่แล้วก็เลยมีเหตุฆาตกรรมกันตายนี่แหละมีฟอกันตายนี่แหละฆ่าขันพกันอยู่นี่น้เปี้ยวนี่กลัวน้ำเปรียวแล้วกรู้สึกทหตอนัไม่ตายที่วิญญาณก็ก็ความพยาบาลนี่แหละเป็นต้นเหตุี่เป็นวัดที่อยู่ทางใต้ในนครนะที่าเอออันนั้นอันนั้นความโลกเป็นเหตุร่างฆาตกรรมการเป็นเหตุอันนั้น การคกันกาเป็เหตุก็ได้ความเบียดเบียนเป็นเหตุก็ได้พยาบาทเป็นเหตุก็ได้ที่จะนําไปสู่การฆ่าเห็นไหมครูทีเจ้าสอนนี่สอนตั้งแต่รากเง่ารากเง่าของกุศลธรรมก่อนที่จะเป็นกุศลธรรมได้ต้องโค้งสอนรากเง่าก่อนนะคือความเห็นก่อนนะความเห็นที่ถูกต้องคือรากเง่าของกุศลธรรมทั้งปวงเรียกว่าเป็นประธานในกุศลธรรมทาบุญแต่ไม่ทราบรากเง่าที่มาที่ไปของบุญ พ่อเจ้าบอกว่าก็เป็นบุญที่เป็นมิจฉาทิฏแต่หากพวกเราเรียนสมาธิทิฏฐิแล้วทาบุญรู้รากเหง้าของมันว่ารากเหง้ามาอย่างไหนเราก็จะรู้จักการที่เราจะเป็นผู้เว้นจากสิ่งที่มันผิดพอถ้าหากรากเหง้ามันมีอยู่เรายังสามารถทำความชั่ว อ, อยู่ได้ใช่ไหถ้ารากเหง้ามันยังมีรากเหง้าในทางที่มันไม่ดีนะพยาบาทเนี่ยเป็นรากเหง้าในทางที่จะนําไปสู่การฆ่าใช่ไหม วิหิงสาคือรากเงอกของการที่จะไปสู่การเบียดเบียนและฆ่ากันได้อีกการมก็นําไปสู่การเบียดเบียนและฆ่ากันได้อีกนะพยาบาทวิตกวิหิงสาวิตกกามาวิตกสาประการนี้คือความคิดที่โง์ไม่อยากให้คิดองศ์จึงบอกว่าให้ดำมิองออกจากกามดำํำมินในการที่จะตั้งใจที่จะไม่เบียดเบียนและดำลํำมิงในการที่จะไม่พยาบาทอาฆาตจองเงินกับใครๆไม่ปลูกใจเจ็บไม่ปลุกใจแค่ พอความคิดเรื่องความเจ็บความแค้นเกิดขึ้นปับ๊บรีบสะหมดแล้ว น, นะคิดหนีออกคิดสลัดออกคิดวางคิดปล่อยคิดละอย่างเี้ย น, นั่นคือมรรคข้อที่2มันจะเดินเข้าไปหาสัมมาสัม ก, กับสัมมาวาจากรรมัฏาอาชีวะเองคือวิบซีนเองก็เนี้ยซีนจะเกิดขึ้นเองหาดําลิน ด, ดีซีนจะเกิดขึ้นมาพร้อมมีลากเข้าอยู่แล้วใช่ไหมลากเข้าสัมมาวาจากรรมตฏานอาชีวะเนี่ยมันไม่ใช่มันอันนี้ละมันเป็นแตกหนอดออกมาแล้วแตกไปออกมาแล้ว ส่วนล่ากค็คแท้จริงคือมูลหรือเง่าของกุศลธรรมซึ่งกุศลธรรมจะเป็นเพื่องตักลอนอ ก, กุศลใช่ไหมล่างเง่าคือความพยาบาลความเดือดเดียนแล้วก็กรรมคือล่างเง่าในของ อ, ก, อ ก, กุศลพวกนี้สจะตามมาพรจ้ารนาเรื่องที่พระเจ้าควรคิดควรให้เราคิดและไม่ควรให้คิด ถามว่าทําไมพระพุทธเจ้าไม่รับไหว้กราบไหว้ผู้อื่นเพราะเหตุใดการที่พระุทธองค์ไม่สามารถที่จะกราบไหว้ใครใครในโลกนี้ได้เพราะไม่มีใครเป็นเสมอเหมือนดังพระพุทธองค์หรือไม่มีใครสูงส่งกว่าพระพุทธองค์ในเรื่องของคุณธรรมในเรื่องของการกัสสรู้ในเรื่องของการทราบทราบในเรื่องของสัจธรรมไม่มีใครเลยในโลกนี้หรือโลกไหนไหน ที่จะมีคุณธรรมความรู้เทียบเท่าของพระองค์เพราะโลกนี้เขาถือคุณธรรมเป็นหลักหรือคุณธรรมเป็นใหญ่การที่พระองค์ทรงตัดสรุปคือเห็นความจรงิงก่อนใครทั้งปวงในโลกนี้คือนอกจากพระเจ้าองค์ก่อนนะคือองค์ก่อนเราไม่พูดถึงพูดถึงยุคปัจจุบันนี้พัฒนากลับนี้นะเพราะพระพเจ้าเราเป็นผู้ตัดสรุปองค์แรกคำว่าเป็นผู้รู้คนแรกคือผู้เกิดคนแรกในด้านของในเส้นทันอริย หรืว่าเกิดในทางแห่งความไม่เก็บไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายนะเป็นผู้เกิดในทางที่ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายการเกิดขึ้นของพระองค์คึ่งเป็นผู้แรกคนเกิดคนแรกหรือคนหัวปีเนี่ยถือว่าเป็นพี่ใช่ไหมคนมารู้ตามหลังของพระุองค์เนี่ยถือว่าเป็นน้องใช่ไหยน้องควรเคารพพี่ใช่ไหมพี่จะต้องไหว้น้องหรือเปล่าพี่จะต้องกล่าวน้องหรือเปล่ากล่าวไม่ได้คุณธรรมไม่ถือ แต่ฐานะของพุทธองค์พระองค์จึงบอกว่าเราเป็นพี่ชายใหญ่ในโลกคือไม่มีใครเป็นพี่ของพุทธองค์อีกแล้วคงเป็นพี่แต่ในระดับของเราเราถือว่าพระองค์เป็นพระบิดาใช่ไหมบิดาผู้สั่งสอนทางนักผู้ให้กำเนิดใช่ไหมละ่ะกำเนิดศาสนาใช่ไหมละ่ะบิดาคือพ่อใช่ไหมละ่ะพ่อในโลกศาสนาพระเจ้าเป็นประดุจดังพ่อเป็นดังบิดาเป็นผู้ผู้ให้กำเนิดทางเส้นทางแห่งคำสอนฉะนั้นแล้วพระองค์ จึงเป็นผู้เดียวเท่านั้นที่ควรค่าแก่แการเคารพสักการะบูชาของเ mm hmm. ทวดาและมนุษย์ทั้งหลายแพ้กระทั้งโสมจะให้พระโตองคอ์ประกาศคนอื่นๆนั้นซึ่งคนอื่นไม่มีคุณธรรมเพียงพอที่จะรองรับการกราบไหว้ของพระโตองค์ mm hmm. เมื่อไม่มีคุณธรรมในการรองรับการกราบไหว้แล้วถ้าโบไปกราบบุคคลผู้นั้นจะหัวแตกเป็นเจ็เสียง พระองค์จึงมีการรู้าที่คุณต่อคนคนนั้นพระองค์จึงไม่กล่าวพระท้ววาวองค์กลาวองค์รู้ได้ว่าไอ้มันแต่แน่นอนพรามผู้เป็นผู้เท่าผู้ใหญ่ผู้มีร่วมการผ่านใบมาเป็นรัตตันยูสมสงของพระองค์องค์ก็เลงหาอยู่ว่าเราจะเครารพพรามเราไดเราจะเคารพสมณะเราได้เราจะเคระเาเรพผู้หลักผู้ใหญ่จําพวกไหนปรากฏว่าพระองค์ตรวจสอบด้วยสรรพยุติยานไม่มีใครเลยที่พระองค์จะสามารถกล่าวไว้แล้วเคารพได้ แล้วเราจะต้องเคารพอะไรหาที่เคารพันที่นี้เพื่อว่าเขาเคารพธรรมกล่าวพระธรรมธรรมที่โพลทรงบรรลุนั้นทําให้พุทธองค์เป็นผู้เข้าถึงความเป็นสมมาสัมพุทธะโพลจึดกราบธรรมเคารพธรรมสารเสื่อธรรมบูชาธรรมแล้วพระองค์ก็สอนสาวกให้กราบธรรมสักการะธรรมบูชาธรรมสารเสื่อธรรมยกธรรมเป็นใหญ่การที่ยกธรรมเป็นใหญ่ก็คือยกสิ่งที่เป็นความจริง เป็นหลัพกพระองค์ไม่ยึดถือความจริงเป็นหลักไม่ยึดถือตัวบุคคลแม้แต่พระโตองค์เองจะทรงควรค่าแก่การเคารพแค่ไหนก็ตามแต่สุดท้ายแล้วพระองค์ก็บอกว่าให้ทําเท่านั้นเป็นเครื่องสืบต่อาศาสนานี้ใช่ไหมทาเท่านั้นนะจะเป็นเครื่องสื่อต่อศาสนาศ า, นาสาศานามีอยู่ห้าไม่มีถ้าทำคําสอนอยู่ในศาสนาศ า, นาสาศานาสืบต่อได้ไหมไม่ได้ แล้วที่สืบต่อกันมาทุกวันนี้เราสืบทอดทางคําสอนหรือสืพทอดทางอะไรคำสอนเน่ใจนะว่าเราสืบทอดทางคําสอนนะเราสืบทอดทางประเพณีเสียมากกว่านะทุกวันนี้นะคําสอนเราไม่ว่าอะไรสืบทอดกันเท่าไหร่เราสืบทอดทางประเพณีเสมากกว่าทางทั้งที่ก็ยังมีคําสอนอยู่นะคุณค่ามีแต่เราไม่สืบทอดทางคุณค่าเราไปสืบทอดทางประเพณี โดยเรายกให้คุณค่าของคําสอนนี้ไว้ในพระไตรปิฎกตําราคาทีแล้วก็ปิดล็อกไว้กุญแจยกไปเปิดอ่านใครไปเปิดอ่านก็อ่านไม่ได้ของสูงห้ามของสูงห้ามแต่ทางเนือก็บอกว่าพระไตรปิฎข้างผู้หญิงแต้และด้วย <c oughs> เป็นของสูงของศักดิ์สิทธิ์ไม่เปิดอ่านพระไตรปิฎกจะฉลาดไห ม, ไ ม, ไหมจะรู้คําสอนไห ม, ไ ม, ไมจะฉลาด ในในปัญญามีความรู้รอบรู้ขึ้นมาหรือเปล่าก็ทำไมปิดปิดกันทำไมเขาบอกผู้หญิงไปแตะล็บ่าคูณเจ้าเคยบอกไหมว่าผู้หญิงไปแตกคำทีไบลานน้จะบ่าไม่เคยเป็นคำพูดของใครเขาควรรู้ความจริงค่ะเนี่ยและมันก็ปมเห็มันโยมันไปนี่แหละ นะคุณเจ้ากร า, าบใครไม่ได้ดกราบแล้วคนนั้นจะมัวแต่พเพจียงกราบไม่ได้ถามว่าพระกราบไหว้แม่ได้ไหมพุณเจ้าห้ามห้ามกราบพระภิสูจน์นะสาหรับพระพิสูุนะห้ามกราบในบุคคลสีจ่จำพวกจําพวกหนึ่งห้ามกราบ ภิกษุผู้เคลือยกายห้ามกราบไหว้ภิกษุผู้นอนหลับใชข้อมูลเอข้อมูลดีด้วยอ่ห้ามกราบบุคคลที่ไม่ใช่ภิกษุด้วยกันึ ห, นห้ามกราบบุคคลที่ไม่ใช่ภิกษุด้วยกันแม่เนี่เป็นภิกษุัหมไม่เป็นกกละกราบได้ไหมอ่าพเราตอบกันเองนะ แม่ไม่ใช่พิสูจห้ามห้ามพิสูจน์การไหว้อนุปสัมพันธ์คือผู้ที่ไม่ใช่พิสูจด้วยกันห้ามการห้ามการไหว้พิสูจนานาสังวาตรู้จักนานาสังวาตรไหมคือแม้จะเป็นพิสูจกับพิสูจนด้วยกันเองแต่หากมีมีนานาสังวาตรใช้กับว่านานาแปลว่าต่างๆสังวาตรคือการปอกพืชหรือการอยู่ร่วมกันที่ต่างกันหมายถึงว่ามีข้อประพืชปฏิบัติที่แตกต่างกันไม่เหมือนกัน ไม่มีปฏิปทาเป็นในทิศทางอเดียวกันพวกบอกว่าห้ามไหวหากไม่แน่ใจอย่าไหวแต่หากภิกษุใดพิจารณาแล้วว่าภิกษุผู้เป็นนานาสังวตเป็นภิกษุที่ตั้งอยู่ในธรรมภิกษุนั้นกล่าวไหวได้แม้จะเป็นนานาสังวรนะแต่หากภิกษุนั้นเป็นผู้สมธรรมกล่าวไหวได้แต่หากไม่สมธรรมห้ามกล่าวไหว้ ศาสาพิสุทธิ์ับพิสุทิ น, น, นี่นะเช่นพระทางฝ่ายธรรมยุทธกับพระทางฝ่ายมห ah านิกายก็ถือว่าเป็นนานาสังวาสกันนะกาบไหว้กันไม่ได้แต่หากพิกสุที่เป็นธรรมยุทธ์หรือมหานิกายที่เจรนาแล้วว่าพิสุทนานาสัมวาสที่เป็นธรรมยุทธ์เป็นผู้ทรงธรรมพิกษุทางฝ่ายนานาสังวาสของมหานิกายเป็นผู้ทรงธรรมกาบไหว้กันได้กาบไหว้ไมนะ่เปิดช่องอนี้ ห้ามการไหว้พิสูพผู้เกยกายห้ามการไหว้พิสูพผู้มีพรรษาต่ำกว่าตนห้ามการไหว้พิสูพผู้นอนหลับใช่ไหมห้ามนอนหลับก็ห้ามการทำการงานอยู่ก็ห้ามการอะไรห้ามการไหว้สตรีแม่เป็นสตรีหรือเปล่า <Hey. S 1> เต้นนะ <laughs> แม่เป็นแม่นี่ยเหรอ เอ๊ะทำไมผู้ด้เจ้าไม่มีภาคกาบแม่ผู้ดยเจ้าไม่ได้บอกว่าห้ามภาคกาบแม่แต่ห้ามภาคกาบไหว่สตรีนิ่ห้ามกาบไหว่สตรีนี่มีไหมมีห้ามกับไหว่สตรีห้ามกับไหว่อนุปสัมพันธอนุปสัมพันธคือผู้นี้ให้พิสูจน์ห้ามกาบไหว่สตรีแม่ก็เป็นสตรี ก็ก็เกิดจากแม่นะก็แม่ก็มีพ่อคุณทำไมกราบ <c lar at> งไหว้ไม่ได้กราบไหว้แม่แต่ไม่ได้กราบไหว้สตรีหาทางออกกระเดื่องเบียดยังไงก็ไม่ได้กราบแม่กราบพรอคุณของแม่อ่อารเงี้ยเอาถ้ากราบพ่อคุณของแม่พ่อคุณของแม่เป็นสตรีหรือเปล่าความเป็นคุณค่าคุณค่าอง <c lar at> คุณของความเป็นแม่เป็นสตรีหรือเปล่า ไม่เป็นพ่อไม่เพพมเพศเพราะอั้นี้คือคุณค่าทางจิตใจแต่เพศนั้นคือกายกายเ ป, เ, ปเป็นเป็นตัวแสดงออกถึงเพศหรือลักษณะแห่งเพศคือความเป็นสตรีแต่คุณค่าทางใจที่แม่มีคุณต่อลูกเราบุญเนี่ยลูกแม่เป็นที่สุดแล้วก็ยังชื่อว่าเป็นลูกใช่ไมืม ห, หรือตัดขาดกันแล้วไม่ตัดไม่ตัดนะเอ๊หรือว่าตัดแล้ว ตัดแล้วมั้งบวชนี้คือตัดทั้งครอบครัวแล้วนะขออนุญาตพ่อขออนุญาตแม่ไปบวชหมายถึงว่าขาดออกจากมาเป็นลูกแล้วนะมาเป็นลูกของพระพุทธเจ้าอยู่ในสากยบงแล้วเป็นวงของสากยะแล้วอยู่ในโคตรมโคตรโคตรของโคตรมแล้วไม่อยู่ในโคตเง้าเดิมแล้วนะโคตรของพ่อโคตรของแม่นไม่ได้อยู่แล้วมาอยู่ในโคตรมโคตรโคตรของพระพุทธเจ้าเราโคตมเนี่ยอยู่ในศากยบงนี้ใช่ รือยังไงเนาะคิดกันทีคบคิดกันดูแล้วถามว่าที่พระไปกราบไหว้แม่ถูกหรือไม่ถูกไม่ฮะขับถูไม่ได้กราบสตรีกราบแม่แม่คำว่าแม่นี้ไม่เกี่ยวกับสตรีใช่ไหมเกี่ยวไหม ถือว่ากราบคุณงามความดีแม่นนี้คื อ, อสั ญ, ญลักษณ์แห่งความดีใช่ไหมไม่ใช่เพศใช่ไหมไม่ใช่เพศไม่ใช่เพ ศ, เพศหญิงแต่แม่เป็นคุณลักษณะแต่เป็นสั ญ, ญลักษณ์แห่งความดีกราบแม่แต่ต้องอาศัยตัวแม่ไหมหอาศัยตัวแม่แต่กราบที่กราบที่ความเป็นแม่คือแม่นี่ไม่ไม่ใช่วาชัยเฉพาะกับ สติเท่านั้นน่ะบุรุษก็ใช้ได้ใช่ไหมพวกแม่ทัพจะออกศึกทำไมถึงเรียกแม่ทัพทำไมมิจฉาพอทัพนะเป็นแม่ทัพเพื่อแสดงว่าแม่ไม่ได้ใช้เฉพาะผู้หญิงใช้ผู้ชายก็ได้ใช้ในเพศของบุรุษก็ได้แสดงไม่เกี่ยวกับเพศเอาไปเอามาแล้วไม่เกี่ยวกับเพศมันเป็นคำกลาง กาบแม่แม่น้ำก็<ะ>ไม่ได้เกี่ยวกับเพศน้ำแม่อะไรอีกแม่โพสพแม่โงคาอันนี้ผู้หญิงใช่ไหมถ้าึืนแม่เราจะมองไปแต่ผู้หญิงเท้ทีนี้จะถูหรือผิดไม่ว่าไม่ว่าถูหรือว่าผิดในทีน่นี้นะแต่ข้อห้ามมีบอกว่าห้ามพระสรูปกราบไหว้ ผู้ที่ไม่ใช่พิสุจ์ด้วยกันพิสุจที่มีพันษาออ่อนกว่าตนพิสุจที่มีเป็นนานาสังว่าที่ไม่ทรงธรรมพิสูจที่เวยกายอยู่ห้ามกราบไหว้พิสูจนที่นอนหลับอยู่พิสูจนห้ามไหว้สตีอาแค่นี้แหละห้ามกราบไหว้แล้วก็กราบไหว้พ่อได้ไหมล่ะฮะดไม่ใช่แต่พ่อไม่ใช่ผู้า พ่อพ่อเขาจะเหมือนกันนะถ้าถ้ากาถ้ากาไหวถ้ากาไหวห้ามกาไหวสตรีแสดงว่ากาไหวพ่อได้พ่อเป็นผู้ชายพ่อมีถ้ามีบรรดาเป็นแผนหนึ่งว่าห้ามกาไหวสตรีอ๋อในเมื่อในเมื่อแม่ไม่ใช่เพศก็กาไหวก็กาไหวได้พ่อก็ต้องกาไหวไทยหาทางหลีกเลี่ยงเลยฮะ ถ้าเป็นครูบาอาจารย์ก็ได้ครูบาอาจารย์หมายถึงว่าเขาไม่ใช่ผู้หญิงหรือผู้ชายเนี่ยเขาบอกว่าครูบาอาจารย์ลักษณะเดียวกับแม่หรือเปล่าอ น, นี้อันนี้ยากแล้วทีนี้มันนําไปสู่การท<ม>ี่นาที่ยากแล้วทีนี้แยกแยะแยกแยะกันออกไปว่าถ้าเป็นครูบาอาจารย์นั้นหากเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายาขึ้นชื่อว่าครูบาอาจารย์ผู้ให้ความรู้แต่พระเจ้าบอกว่า เพื่อให้ความรู้แก่พิสูจที่พิสูจจะต้องควรกลาวไส้ตลอดชีวิตคือพูดให้ความรู้ที่บุคคลนั้นรู้ในในในวิชาอะไรในอะไรที่ผู้เจ้าบอกว่าควรจะต้องตามกล่าวไส้ลุกละกระทําอัญเลีต้อนรับให้การอุปถัมดูแลอยู่ทั้งตลอดชีวิตเนี่ยผู้เจ้าบอกให้ครูบาอาจารย์แบบไหนที่ให้ความรู้แบบไหนเนาะที่สินั้นจะต้องกระทำตลอดชีวิตเลยครูบาอาารย ไม่ใช่เข้าอริยสัจีใช่ให้เนอริยสัจสีต่มีสามข้อาจารย์มีสามเลยเหรออ่านงาให้ตั้งในรัตนาตัยสองเ<อ>หนอริยสี่ามเข้าถึงความเป็นสุรวัวตร์หรอมั น, มนจเจตวิญญาปัญญากอ๋อก็นั่นแหละเกาะมรค น, นตั้งแต่เบื้องต้นถึงเบื้องปลายโอ้ทรงจำมาดี <c oughs> อันนั้นอ่ะศิษ์จะต้องทาการลุกหลับกระทามัชนีตลอดชีวิต ทีนี้หากหากศิษยเป็นพระภิกษุอาจารย์เป็นโยมเช่นโยมที่เป็นพระชนอบัญสากาาคามีหรื่อนาคามีที่มาแนะนําคุณธรรมกับพระภิกษุที่เป็นอุตรชนแล้วภิกษุเข้าถึงคุณธรรมนั้นภิกษุควรกล่าวว่าโยมไหมในฐานะครูอาจารย์ควรกล่าวไหมอันนี้ควรควรไหม ไ ม, ไม่ควรแล้วควุณธรรสูงแล้วอะะคุณเธรรมสูงแล้วก็เป็นพิสูจด้วยก็ไม่น่าไม่ใช่ก็ควรอาจารย์ให้ให้ความรู้มาให้ความรู้ในฉันของอลิยันมันจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ย้อนไปถึงข้อหนึ่งว่าที่อาจารย์บกับว่ามันที่ไม่ใช่พิสูจด้วยกันคุณไม่ใช่พิสูจน์พ<ม>่อาม่ให้พิสูจ พ่อก็ไม่เป็นพสูจแม่ก็ไม่ใช่ดิกตัวใช่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าการหลักถ้าการหลักวิชาการนี้ข้อหเนี่ยมันก็หมายความแสดงว่าเราจะเลี่ยงไปทางไหนก็ไปได้หมายถึงว่าเมื่อบอกว่าห้ามพิสูจน์กราบไหว้ผู้ที่ไม่ใช่พิสูจด้วยกันก็คือห้ามแสดงว่ากราบบิดาก็ไม่ได้กราบมารดาก็ไม่ได้กราบครูอาจารย์ก็ไม่ได้ที่เป็นโยมนะสําหรับโยมก็พิสูจเองกราบก็ไม่ได้ ถ้าจะวัดตามพุทธบัญญัติทักเลี่ยงพยัญชนะทางเลี่ยงก็เลี่ยงไม่ไปนะในนี้เลียงไม่ออกแล้วไม่ออกแล้วเพราะว่าข้อหนึ่งไดนคุมหมดเพราะว่าถ้าาหลักแล้วพุทธเจ้าได้ต้องการได้หมดนะคือเราจะไรู้ได้ไงคนที่พ่อเป็นแม่หรือป่าเป็นผู้เป็นเจ้าคุณอาคนมองเห็นนคือเป็นภาพทักที่คุณเห็นองเลยแล้วพุทธเจ้าก็ิการได้หมดเลยสีข้อนี้ใช่ไหใครจะรู้ว่านี่เป็นแม่ลูกกันหมหรือารู้ไปครรู้ดีว่าคุณู้สั่คุณก็ต้องมั่นใจไปผิดถึงว่าพุทธเจ้า ไม่ใช่เขาทีส well ุกคได้พรสารมักว่าุทธินเพระเหมือนคุหมดแล้วพระารมกว่าไม่ได้คูบาจารย์ไม่ได้ถูบาอาจารย์แต่กาวบาไม่ได้เขาไม่ใช่พระที่สุดนี่กันต้องมีช่ออ๋ออันี้พระเจ้าห้ามกากบาทแต่ได้ห้ามได้ห้ามการทดแทนคุณหรือบูชาคุณไหมไม่ห้ามพระุทธจ้าได้ห้ามการบูชาคุณหรือทดแทนคุณมาดาบิดาห ได่ห้ามการทดแทนคุณหรือบูชาคุณครูอาจารย์ไหมไม่ได้แต่ห้ามไหายอย่างเดียวเนาะใช่เือห้ามไหายอย่างเดียวแต่ไม่ได้ห้ามทดแทนคุณหรือห้ามทําการสักการ บ, บูชาคุณการสักการ บ, บูชาไม่ใช่ต้องการไหว้อย่างเดียวนี่ยใช่ถูกต้องไหมใช่สักการ บ, บูชาทดแทนคุณมันทําด้วยวิธีอื่นอีกมากมายเยอะแยะไม่ใี่พ่อกาบไหว้นะพ่อสามารถเอาแม่มาเลี้ยงได้เอาเอ่อไม่ใช่ โลกูกลูกที่เป็นทัพพิสุทธิ์สามารถเอาแม่เอาพ่อมาเลี้ยงได้เอาครูบางอาจารย์มาเลี้ยงได้ที่เป็นโยมเอามาเรียงได้ภายในการดูแลของของพิสุพิสุที่มีความสามารถเอ๊ะครูอาจารย์ไม่ได้แต่เฉพาะพ่อกับแม่มาดูแลก็ได้มาอยู่วัดแล้วก็ดูแลทำเหตุใจได้ให้ความช่วยเหลือความช่วยเหลืได้อันนี้พระพุทธเจ้าอนุญาตเต็มที่ออื เพราะมีครั้งหนึ่งที่พิกษุเอาบิดามันบิดามันดามัดูแลในอาวาตที่กระบะนั้นก็ให้พ่อให้แม่หมดเลยชาวบ้านก็ติเพียนะโอ้อาหารเอาให้พระพระอนนี้ไปให้พ่อกับแม่กินหมดก็ไปถามผู้ได้เจ้าเขากับชาวบ้านปรโจทขาตรงนี้มาพิสูุน์เรงบอกว่านั้นข้าพวงข้าพงจะต้องลาสิกขาแล้วก็เจ้าข้าจะต้องไปเลี้ยงดูพ่อแม่การที่พข้าพว์เป็นภิสูจน์ไรับอาหารจากชาวบ้านมาข้าพวงยังดำรงอยู่และจะให้พ่อแม่ลาบากข้าวพวงก็ ไม่ไม่ควรที่จะดํารงอยู่อย่างนี้หรือดํารงอยู่ได้โดยยากคือทําใจยากขอสืบออกไปดูแลแม่ดีกว่าเลียงพ่อเลี้งแม่ดีกว่าผ<ส>ู้เจ้าก็บอกว่าเราอนุญาตให้ภิกษุวินบาตได้มาแล้วนำอาหารนี้ให้พ่อมเลี้ยงพ่อเลี้แม่ได้ตอบแทนบคุณพ่อแม่ได้เอาพ่อแม่มาอยู่ดีเอาว่าได้นั่นเป็นสิ่งที่ประดิษฐ์และศัตว์ประหุทั้งหลายกระทํากันมาแต่โบราณกาแล้ว เป็นสิ่งที่ควรทําเป็นความดีในโลกเป็นสิ่งที่สัรเสวยผู้ที่เยเี่รมสั่งเี่ยไม่ได้ห้ามการตอบแทนคุณแต่ห้ามการกราบไหว้ห้ามไหว้อะไรอีกทางระดับชาวพุทธผู้เญิงห้ามไหว้อะไรในระดับชาวบ้านห้ามไหว้อะไรามไหว้ผีเครื่องเซ่นไหว้ทั้งหลายเทวดาอะไรพวกนี้ก็ห้ามไหว้ในระดับชาวบ้านนะคะห้ามไหไมไว้อะไร ถ้าผีถ้ามีผีไาวได้หมดเลยถ้าไหวผีเห็นผีอยู่เลยถึงไหวได้เคยเห็นผีอยู่เลยไหวไปไม่เคยเขาเข้าใจตรงนั้นเส้นว่าเข้าใจว่าตรงนั้นมีผีแน่จึงต้องไปไหวผีเพื่ออะไรเพื่อคุ้มรองเพื่อรักษาเพื่อความเอนดูของผีว่าเอ็นดูเราผ่านไปตรงนั้นจะได้เป็นผีพอเรา มันจะมีบ้านโยมจะมีต้นไม้ไหญ่ต้นไปโพเขาก็ว่าผีปู่บ้านนะะั่นแหละแล้วก็สมมติว่าลูกรรจะไปสอบก็ไปบนว่าขอให้ได้ถ้าได้เราก็ไปเลี้ยงไปทไม้เอี่ยไปไม้ได้เข้าใจเราดีนี้ยหละที่เ <c oughs> ขาจะมีม่าปยาเชื่อว่าวิญญาณพวกนี้จะช่วยช่วย ให้สําเร็จก็แน่นอนอะจิตวิญญาณที่สิงสถิตอยู่ในที่ตรงนั้นมันบางทีมันก็ปาปัวให้คนเห็นใชพอคนเห็นก็นึกกลัวพอนึกกลัวก็ไปเส้นไหวเพื่อไม่ไม่อยากให้ถูกทรลายทีนี้เมื่อกลัวจากอีกบุคคลนึงแล้วไปเส้นไหวเพื่อไม่อยากให้ถูกทําำลายด้วยความกลัวของบุคคนั้นอีกคนนึงไปเห็นเขาทําอะไรก็เส้นสูงเส้นไหว ก็นึกว่าจะดีก็ไปทําตามอีกคนอื่นเห็นอีกก็นึกว่าจะดีก็ไป<ช>ทําตามทำตามทำ ต, ตามกันหมดนี่กลายเป็นความคลัวในสังคมส่วนใหญ่ทําตามกันหมดจิตวิญญาณพวกนี้ก็เลยได้ใจกินของเส้นไหวจากชาวบ้านแล้วแสดงตัวเป็นเป็นอะไรเป็นผู้มีเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์มีฤิมีเดชมีอำนาจเร า, าไปกลัวจิตวิญญาณพวกนั้นคิดว่าจิตวิญญาณพวกนี้นจะสามารถช่วยเหลือเราได้อัตมาขอถาม ว่าพวกเราเนี่ยมีจิตอิญยานกันไหมมีเอาพวกเรามีจิตอินยานเป็นของตัวเองแล้วทำไมไม่ไม่ใช้จิตอินญาณของพวกเราเนี่ยสร้างความดีขึ้นมาด้วยตัวของเราสร้างพลังสร้างศีกษ์ศัิ์สิทธิ์ขึ้นมาด้วยตัวของเราเราก็คือจิตอินญาณหนึ่งเขาก็คือจิตอินญานหนึ่งไม่ได้แตกแต่ตางจากเราเลย <'d> แล้วไปกลัวเขาทาไมจะไม่ไหลนะ่ะ <'d> ในบรรดาบุคคลผู้สร้างความดีด้วยจิตอินญาณของตน ที่เข้าถึงความดีนั้นประเสริฐสุดแล้วบุคคลผู้นั้นคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าใช่ไหมเทวดาไหวไหมไม่เทวด า, าไหวพพุทธเจ้าไหมไหวผีไหวพระพุทธเจ้าไหมไหวเปรตไหวพระพุทธเจ้าไหมไหวพระพรหมไหวพระุทธเจ้าไหมไหวแล้วเรางัวไปไหวใครอยู่เรายังไปไหวผีอยู่เลยทำไมไม่ไหวพระพุทธเจ้ า, า, าไไทีเดียวเลยเปรตก็ไหวพพุทธเจ้าผีก็ไหวพระพุทธเจ้าเทวดาก็ไหวพระพุทธเจ้าพรมก็ไหวพระพุทธเจ้า เราก็เมื่อเขาไหว้ผู้ได้เจ้าบมดเราก็ไหว้ผู้ได้เจ้าไปทีเดียวเลยไปไหว้ผีทําไมไปไหว้เทวดาทําไมไปไหว้เจ้าพ่อเจ้าแม่ทาไมแล้วหากเจ้าพ่อเจ้าแม่ใดไม่ไหว้ผู้ได้เจ้าไม่เลื่อมใสในผู้ได้เจ้าเจ้าพ่อเจ้าแม่นั้นเราควรที่จะไหว้ไหมก็เขาไม่นับถือพระรัตนตรัยเหมือนเราผู้ประกาศตัวนี้เป็นผู้นับถือพระรัตนตรัยเมื่อเจ้าพ่อเจ้าแม่ทั้งหลายเขาไม่ได้นับถือพระรัตนตรัยเราไปไหว้คนที่ไม่นับถือพระรัตนตรัย เราก็ต้องขาดใช่ไหมหนะ่ะขาดจากพระรัตนตรัยที่เราเคารพที่เราประกาศออกมาแล้วด้วยใจพวกเราว่าเรามีพระพุทธเจ้าพระนามประสริฐเป็นที่เคารพสักการะไหว้บูชาตลอดชีวิตเราไปไหว้ผีเจ้าพ่อเจ้าแม่ซึ่งของมันจะนับถือพระรัตนตรัยท่ารตัตนตรก็ขาดจากชีวิตเราพระรัตนตรัยขาดหมายถึงว่าเราก็ต้องขาดจากความเป็นพุทธศาสนาพุทธศาสนาดิกชนแล้วตกไปเป็นบริบาลของผีเจ้าพ่อเจ้าแม่ เจ้าปู่เจ้าตาเจ้าหญางเจ้ า, ายายผีอะไรก็ตามที่ไหวกันปเป็นสาวกของผู้ได้เจ้าดีดีเป็นสาวกของผีเป็นสาวบกของพระเจ้าอยู่ดีๆเป็นสาวกของเทวดาพอร่างทรงบางคนบอกเรามาจากชั้นสูงนร่างทรงบอกพอคนรู้ว่ามาจากเทพชั้นสูงปั๊บไหวไม่รู้เทพนั้นเคารพพระรัตนตรัยหรือเปล่าถ้าเทพเราได้เคารพพระรัตนตรัยเทพเหล่านั้นจะไม่มาเข้าทรงคน เพราะการเข้าทรงของเทพเทวดาเข้าทรงในร่างกายคนถือว่าผิดจากพระรันาตนตรัยผิดระเบียบจากธรรมชาติแห่งพระรันาตนตรัยเพราะเทวดาเหล่าใดผู้ยึดถือพรันาตนไตยจะไม่มาทรงในร่างกายคนเด็ดขาดยืนยันเพราะนั่นที่เห็นทรงรงกันอยู่ทุกวันนี้นั่นเป็นดวงจิตดวงดวงิญญาณที่ไม่มีพระรันาตนตรัยดวงจิตวิญญาณที่ไม่มีพระรัตนตรัยควรกล้าไหมเขาเนีเขาได้ไหมระดับมนุษย์เรามนุษย์เราผู้ซึ่งมีพระรันาตนตรัยอยู่เนี่ย แล้วไปกราบไหว้สิ่งที่ไม่มีพระรัตนใจในจิตในใจเขาเลยในจิตวิญญาณของเขาไม่มีเลยไม่ควรถ้เราไปกราบปุ๊บพระรัตนใในตัวเราก็ขาดไปพร้อมรบคนทานก็ต้องทานด้วยด้วยกันคุณธรรมในตัวก็ขาดไปด้วยเนี้ยเนี่ยเรื่องไหว้ลามไปถึงผีพีสาจตัวรากันก็พรมเองก็ไม่เกินก็ไม่ควรกราบไหว้ถามว่า หล่อเทียนมีในสมัยพุท ธ, ธกาลไหมครับเกิด <Okay. S 1> ไม่ทันพุท ธ, ธกาลเลยไม่รู้ว่าสมัยนะั้นหล่อเทียนกันหรือเปล่า <c oughs> แต่ตามตำรับตำราไม่เคยเห็นกล่าวถึงเทียนแต่กล่าวถึงเรื่องการจุดประทีปโดยการใช้น้ํามันน้ํามันเนยอย่างต <c oughs> ามยุคสมัยจุดด้วยน้ํามันโดยส่วนมากเขาที่เห็นนะแต่เทียนไม่เคยเห็นไม่ไมเคยปรากฏในตําราคำที ถามว่าวิธีใดที่ทําให้ศาสนาพุทธสื่อต่อศาสนาได้ด้วยสมบูรณ์แบบวิธีใดเอ้าที่จะสามารถทําให้พุทธศาสนาสื่อต่อไปได้อย่างสมบูรณ์แบบปฏิบัติตามทำคำสอนผูกต้องปฏิบัติตามทำคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าการปฏิบัติตามทําคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้นั่นแหละคือการสืบต่อศาสนาอย่างสมบูรณ์แบบจะปฏิบัติได้จะต้องทำยังไงถึงจะสมบูรณ์ได้ศึกษาใช่ไหมการศึกษาเรียกว่าปริยัติใช่ไหม ปริญญาคือการเรียนยรู้ใช่ไหมปฏิบัติเพ <Yeah. S 2> ียงปฏิบัติเพียงไหมปริญญาปฏิบัติเพียงไหมปริัติเพียงปฏิบัติเพียงแล้วผลที่เกิดจากกาปรปฏิบัติเพียงไหม <Yeah. S 2> เรามาดูว่าอะไรเพียนเพี้ยนในโลกเนี้ยในปัจจุบันนี้ศาสนาครับของเราอะไรเพียนบ้างเย <Yeah. S 2> อะเยอะมีอะไรบ้างยกตัวอย่าง <Brig ad. S 2> แก้กรมกกรมปริัติกล่าวสอนเรื่องการแก้กรรมไว้อย่างไง <Yeah. S 2> แก้กรรมนี่คือสิ่งที่เป็นผลปรากฏให้พวกเราเห็นกันแล้วว่า มันเป็นสิ่งที่สืบกันมาภายในพุทธศาสนาของเราที่เป็นผลสะท้อนให้เราได้เห็นว่ามันเพี้ยนใช่ไหมมาจากการปปฏิบัติเพี้ยนใช่ไหมปฏิบัติที่เพี้ยนมาจากปริยัติที่เพี้ยนคือศึกษาเพี้ยนมาใช่ไหมปริยัติมาไม่ดีใช่ไหมเพี้ยนมังแต่เรียนรู้ในตําราการแก้กรรมไปเรียนรู้มาอย่างไรในปริยัติธรรมตัวคบสอนที่แท้จริงไม่ได้กล่าวถึงการแก้กรรมเนีเมื่อปริยัติเพี้ยนปฏิบัติเพี้ยนผลก็เพี้ยน เราจะไปถือปริยัติทพียงเพียงเนี่ยเป็นการสื่อต่อศาสนาได้ไหมล่ะได้แต่ก็สื่อต่อกันมาแล้วก็สื่อต่อไปอีกอีกยาวนานแล้วปฏิบัติที่ถูกต้องหรือเราจะสามารถเทียบเพียงความถูกต้องได้ที่ไหนที่ปริยัติใช่ไหมคือคําสั่งสอนปริยัติคือคําสั่งสอนทั้งหมดเราจะต้องไปเทียบที่นั่นเพราะปริยัติเพี้ยนปฏิบัติก็เพี้ยนหาปฏิบัติไม่อยากให้เพี้ยนก็ต้องกลับไปสู่ที่ปริยัติหมายถึงว่าปฏิบัติอะไรก็ตามต้องย้อนลงสู่ปริยัติ ว่าสิ่ที่ปฏิบัตินี้เทียบกับปริยัติแล้วเข้ากันได้ไหมเมื่อเข้ากับปริยัติได้ปฏิบัติก็ถูกแต่ถ้าปริยัติอย่างเดียวไม่ปฏิบัติสื่อต่อได้ไหมเพราะการสื่อต่อศาสนาสื่อต่อด้วยการปฏิบัติเพราะปริยัติอย่างเดียวสื่อต่อไม่ได้ต้องปฏิบัติเท่านั้นหมาถึงว่าจะต้องปฏิบัติก็เกิดผลเพราะมีผลจึงสามารถแสดงผลนั้นให้คนทั้งหลายได้ทราบว่าผลนั้น สามารถสําเร็จได้จริงโดยการประพฤติธปฏิบัติและการประพฤติธปฏิบัตินั้นจะปฏิบัติไปได้ได้จริงก็ต้องเกิดจากการเรียนรู้ที่ถูกต้องเนี่ยความเชื่อมโยงกันระหว่างปริญญาปฏิบัติปฏิเวทเชื่อมโยงกันทั้งสามส่วนขาดอันใดอันหนึ่งไม่ได้เด็ดขาดหากขาดไปก็เพียเพ้ยงเพี้ยมีปริญญาอย่างเดียวไม่ปฏิบัติเพี้ยง เราจึงเห็นศาสนาในรูปแบบมังกรเพลิงคือเพี้ยนแล้วนะั่นพิธีกรรมเพียนแล้วนะั่นเอาหลักคําสอนไปสวดไม่ได้เอาหลักคําสอนไปสอนหลักคําสอนเอาไปสวดสวดเพื่ออะไรสวดเพื่อได้ลาภสักการะออกก็ปเป็นอย่างนั้นจริงๆเห็นไหมละ่ะฉะนั้นคนเข้าถึงศาสนาได้น้อยมากเพราะเราติดอยู่กับสวดถามว่า เข้าใจแล้วนะเรื่อการสื่อต่อศาสนาอย่างไงอยู่สมมุติต้องปฏิบัติถามว่าการปล่อยสัตว์ที่ถูกขังในกรงหรือการปล่อยสัตว์ช่วยเหลือสัตว์ที่ถูกทำร้ายส่วนมากเขียนบอกว่าปล่อยสัตว์เพื่ออพิทานถูกต้องไหมเข้าที่เห็นมันเป็นพาณิชย์ไปหมดแล้วนะัดพุทธพก็พาณิชย์ปล่อยสัตว์ก็พาณิชย์ทไทโคก็พาณิชย์ได้พาณิชย์หรือเปล่าไทโค อันนี้เขาไปซื้อจากโรงฆ่าจริงๆคงไม่ผานิพพิเจตนาแต่ก็มีที่จับโคมาเพื่อไว้ให้ไทยแล้วมาประกาศว่าไครต้องการจไทยก็มาไอ้คนใจบุญก็จะไปไทยพราะเอาไปอีกหาอีกเมื่อห้คนจะเอาไอ้ก๊ลกายเป็นผานินนันพุทธะาิเ็กลยูกรูอไม่ถูกก็ไปคิดกันเราเองอยู่ที่เราไปาาจ ถ า, ามว่าเวลานั่งสมาธิเห็นภาพต่างๆเพราะเหตุใดเพราะสมาธิฉายภาพให้เห็นสมาธิในจิตน่ะมันฉายภาพให้เห็นจึงได้เห็นงภาพนั้นเพราะอะไรเพราะธรรมชาติของจิตมีตัวทัศนอยู่ภายในการการรับรู้ทางความเห็นรับรู้ทางการเห็นอย่างเงี้ยเห็นเหมือ น, อนกับตาเห็นนี่แหละ แต่เห็นในนิมิตเห็นในอนนานาจของสมาธิเป็นนิมิตมันมีตัวฉายภาพให้เห็นเหมือนกับเราเป็นอะไรไปส่องกระจกภาพที่อยู่ในกระจกเป็นภาพเราสะท้อนออกมาแต่ในภาพในกระจกจริงไหมไม่จริงตัวเราใช่ไมจริงอ๋อใช่สิ่งที่เห็นนะั่นน่ะมันไม่จริงเป็นแค่นิมิตแค่เครื่องหมายบอกให้ทราบ สออย่างคือผู้ไม่เชื่อกรรมและไม่เชื่อไสยศาสตร์นี้ทั้งไม่เชื่อเรื่องกรรมและไม่เชื่อเรื่องไสยศาสตร์คือคนที่ไม่มีข้อมูลแห่งเหตุผลไว้ในใจนะถ้าไม่เชื่อกรรมในแสดงไม่มีข้อมูลแห่งเหตุผลไว้ในใจเขาจะไม่สามารถมีเหตุผลในการตัดสินที่จะกระทำอะไรได้เล ย, เ, ลยเพราะเขาไม่มีความมุ่งในความเชื่อคนเราต้องมีความเชื่อไว้ก่อนผู้จาจึงตัดศรัทธาไว้เป็นระดับแรกเชื่อไว้ก่อน แต่เชื่ อ, อยางงงไงแต่เชื่อเพื่อนรับเข้ามาพิสูจน์ไงไม่เชื่อเพื่อนรับเข้ามาพิสูจน์การที่จะพิสูจน์ต้องใช้ปัญญาในการเข้าไปพิสูจน์ไต่ต่อพี่นายแยแกแยะให้เข้ากับเหตุผลหากไม่เชื่อเรื่องกรรมเลยจะพลาเรื่องการประพฤติการปฏิบัติการกระทำเนี่ยอันตรายมากหรือยัง ถามว่าเราเข้าวัดแต่ไม่ทําบุญฟังให้ดีนะเข้าไปวัดแต่ไม่ไปทําบุญเราเป็นหนี้สงไหมผมอ่านในพระไตรปิฎกไม่เห็นมีเลยในเรื่องเป็นหนี้สง <c oughs> คือเข้าวัดแต่ไม่ไปทําบุญรู้ได้ยังไงว่าเขาไม่ไปทําบุญควหมายคือเข้าวัดไปต้องไปทำบุญใส่ชําระหนี้สงใช่ใตามตู้บริจาคอ๋อย่างนั้นเหรอ อ๋อหมายถึงว่าเข้าไปแล้วเนี่ย <Okay. S 1> เห็นตู้บริจาคเขาไวอ้อะอันนี้ค่าไฟค่าน้ําค่าซ่อมแซมค่านี่สงค่าถ้าเราไม่ไปทําอย่างเงี้ยเราจะติดนี่สงไหมอย่างนี้ใช่ไหมคงจะเป็นอย่างนี้เนาะค<ะ>่ะไม่ติดน ะ, ะไม่ได้เป็นนี่สงนี่สงอะไรหรอกไปอยูวอ่วัดดูว่าก็ก็ไม่ติดมีเพียงแต่ว่าบางอาวาสที่ไม่ได้ประกาศของสง ให้เป็นของสาธารณแก่บุคคลทั่วไปได้ตัวนี้อาจจะติดตรงนี้คือธรรมดาพรูปีเจ้าบอกให้พี่สูตจะต้องประกาศพื้นที่ของสงเนี่ยคือเป็นของสงก็จริงอยู่แต่พื้นที่นี้ไม่ว่าสีใดก็ตามที่อยู่ในอาวาสนี้จะเป็นเปลือกนอใบผลเครื่องมืโพวกบริโภคเครื่องใช้ใช้สอย่างใดอย่างหนึ่งก็ตามที่อยู่ในอาวาสนี้จงเป็นผลของควรบริโภคแม้แก่ชาวบ้านทั่วไป เช่เข้าไปในวัดไม่ได้ไปทําบุญอะไรอะ่ะเห็นมะม่วงเห็นไหมอยากจะเอาไปกินบ้างเด็ดไปกินเห็นน้ําตั้งอยู่หิวน้ำว่าเอาขวดน้ําไปกินติดหนี้ไหมหากอาวาสใจไม่ประกาศของสงไม่หวงแหนไว้ติดหนี้แน่นอนคือเอาของสงไปบริโภคเป็นเปรต น, นะจะรับโทษยาวนานมากแต่หากอาวาสใ ด, ดประกาศซึ่งจริงๆผู้เจ้าให้ประกาศได้เลย ประกาศไว้แล้ของสมในอาบานี้สมไอ้ของแหบเป็นพี่ใช้สอยบริโภคทั่วไปแก่ชาวบ้านได้ไม่ไปโทษอยา่างเงี้ยอันนั้นจะไม่ติดหนี้อะไรทั้งสิน้นหรือเข้าไปแล้วไม่ได้ไปเอาของสมไม่ได้ไปใช้ของสมไม่ได้ใช้อะไรทั้งสิน้นเข้าไปเสร็จแล้วไม่ได้ทำบุญทำบุญแต่เรกกากลับก็ไม่ได้ติดหนี้อะไรแต่โดยส่วนมากอาบานแต่ละอาวบาดไม่ได้ประกาศ ของสงไม่หัวแข็งไม่ไม่ได้ประกาศแต่ที่นี่ประกาศได้หมดแล้วที่สำนักหนงก็ประกาศที่อีสานก็ประกา ศ, ากกาศไดหมดแล้วแต่สำนักอื่นๆเท่าที่ไปไปอยู่มาไม่เคยได้ประกาศหมดคำถ า, ามมาอินเนี่ยจากหมูเคทีกลาพระอาจารย์อาาธิบายเรื่อง ตอมผู้รับรู้ที่มีอยู่กับทุกคนพร้อมทั้งการที่มีสติในการเพียรดูคําว่าตอมผู้รับรู้เนี่ยเป็นโวหารของคนเขียนมาหรือเป็นโวหารของใครได้ยินจากที่ไหนก็นมาก็ไม่รู้นะคำว่าตอมจริงๆมันคืออายตนะนะเป็นภาษาที่ผู้เยาใช้มาก่อนหน้านี้แล้วคืออายตนะอายตนะตอมแห่งผู้รับรู้คืออา ย, ต, นะารรอายตนะแห่งการรับรู้อายตนะแห่งการรับรู้มีกี่อย่าง จับจับกายยตนะคือตาโสตายตนะคือหูาาา ค, ค า, านายตนะคือจมูกชิวหายตนะคือลิ้นกายายตนะคือกายมนายตนะคือนี่คือตอมหรือว่าจุดแห่งการรับรู้ที่มีอยู่กับทุกคนมีอยู่กับทุกคนไหมที่พูดถึงเนี่ยมีอยู่กับทุกคนมีสติในการรู้ไหมทีนี้ ไม่มีแต่บางจังหวะไม่ไม่มีเลยเป็นบางจังหวะใช่ไหมใช่เป็นบางจังหวะมันก็ต้องเพียรดูนะเพียรรู้เพราะถ้าเราไม่รู้ในขณะที่เราเห็นเราก็จะเสพมันแต่ถ้าเรารู้เราก็จะไม่เสพมันี้ก็จะเป็นปัญญาเห็นรูปยังใดยังหนึ่งเกิดพอใจไม่พอใจรับรู้ความพอใจไม่พอใจ ถ้ารับรู้แล้วปุ๊บมันจะดับแต่ถ้าไม่รับรู้คือมคือรับรู้แต่ว่าไม่รับรู้ด้วยสติใช่ไหมในมความหมายเขาว่ารับรู้ในรับรู้ด้วยสติถ้าไม่รับรู้ด้วยสติปั๊บเนี่ยเกิดเห็นรูปอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วพอใจติดยึดไหมไม่พอใจติดยึดไหมติดแล้วก็ยึดในรูปนั้นรูปไม่ดีก็ยึดรูปดีก็ยึดรูปดียึดที่จะเอารูปไม่ดียึดที่จะไม่เอานัคือยึดยึด เอาไม่เอาไม่น่าจะใช่ชื้นใช่ไม่น่าจะใช่การยึดนะไอ้ไม่เอาก็คือยึดยึดในการที่จะไม่เอานะได้ยินเสียงด้วยหูเกิดความพอใจไม่พอใจหาให้มีสติรู้ในเสียงยึดไหมยึดกินยึดไหมหอมเหม็นยึดลิ้นอร่อยไม่อร่อยยึดไหมยึดเออพระพุทธเจ้าก็บอกว่า พระองค์ก็รับรสชาติอาหารอย่าง อ, าอรอิสอ่อยเส้นประสานรับรสในลิ้นของพระองค์เจ็ดพันเส้นสามารถรับรสชาติได้ทุกเสน้นพรค ก, ก็อร่อยเหมือนกันนะพระองค์ชั้นอาหารอร่อยนะเราตถาคตชั้นอาหารอริสอร่อยมากแต่เราไม่ติดยึดในรสชาติอาหารที่อริสอร่อยนะไไั้นทำยังไงถึงไม่ติดยึดมีสติรับรู้ตลอดมีสติรับรู้ตลอด ผู้ไเจ้ามีส ต, ติรับรู้ตลอดนะเมื่อสติดไม่เลือกทีจ่จะเลือกของที่ชอบหรือไม่ชอบผู้ไดเจ้าทํำลายตัญหาได้แล้วใช่ไหมละ่มเะเมื่อทําลายตัญหาคือตัวทยานอยากอยากในรูปในเสียงในกลิ่นในรสได้มันก็คือไม่ใช่การติดยึดแต่รสชาติจะต้องปรากฏตามความจริงใช่ไหมอร่อยไม่อร่อย เปี้ยวหวามันเค็มต้องปรากฏตามความเป็นจริงตรงนี้แต่ทำลายปัญหาในในสิ่งที่เป็นรสชาติที่อ ร, อร่อยได้เป็นอย่างนั้นให้อภิษฐริไวยเรื่องต่อผู้รับรู้ที่มีอยู่กับทุกคนพร้อมทั้งการมีสติในการเพียรดูสติในการเพียรดูทํายังไงเห็นทุกครั้งต้องมีสติอยู่ที่ตาทุกครั้งสติอยู่ที่ตาทำยังไง ให้ตามีสติทําไงให้หูมีสติทําไงให้จมูกมีสติทําไงให้ลิ้นมีสติทําไงให้กายมีสติทําไงทําังไงถึงจะมีสติต้องกำหนดรู้ทุกครั้งต้องกําหนดรู้ทุกครั้งกำหนดรู้อะไรรู้สิ่งที่ที่สัมผัสที่เห็นที่ได้ยินที่นั่นแหละแล้วรู้ว่ายังไงอ่ะรู้ว่ารู้ว่าถ้าตามนั้นจะเวทนาจิตเปันต่างขังห้าเวทนาสัญญาสารธรรมมีงาน ไม่แต่รับรู้ <Mechan ic? S 1> เวทนาสัญญาสังขารมีอยางว่ายังไงรับรู้ว่ายังไงเวทนาก็สุดทุกข์ไมสุดทุกข์ก็ทุกให้รับรู้สิ่งเหล่านี้ว่ายังไงถึงจะเป็นสติเียให้รับรู้อย่างไรหล่ะถึงจะเป็นสติเลยขึ้นตั้งอยู่รู้อะไรพี่เจ้าให้รู้อะไรเนาะรู้ทุกข์ถ้าสิ่งที่เราเห็นเราเห็นว่าเป็นทุกข์เนี่ยจะยึดมั้ย ทั้งสิ่งที่เป็นสุกและเป็นสที่เป็นพวกสิ่งที่เห็นนั้นโลกที่งามนั้นงามถ้าเห็นแล้วมาเป็นพุกเนี่ยจะยึดไหมจะติดไหมถ้าเห็นว่าเป็นพุกถ้าเห็นมาสิ่งที่เราเห็นเนี่ยเป็นเหตุให้เกิดการยึดและเป็นเหตุให้เกิดพุกต่อไปอีกจะยึดไหมถ้าเราเห็นโลกที่เห็นหรือสิ่งที่เห็นทั้งสวยทั้งงามเนี่ยว่าเมื่อเราละมันได้แล้วความพุกในตัวมันก็ไม่มีเราจะพุกเพราะมันไ้ยล่ะเราจะติดยึดเพราะมันไหมล่ะไม่ติดยึด เมื่อเราเห็นแล้วว่าอันรูปที่เราเห็นเนี่ยมันเป็นทุกข์มันจะนํามาซึ่งเป็นเหตุและจะเมื่อเราไม่ทําตามเหตุมันก็ดับการที่เรารับรู้อีกเนี่ยมันจะเข้าไปดับเหตุแห่งทุกข์ทั้งมวลได้ในสิ่งที่เห็นในสิ่งที่ได้ยินในสิ่งที่ดมกินลิมรถคือเห็นทุกข์ให้รู้ทุกข์ในสิ่งที่เห็นให้รู้ทุกข์ในเสียงที่ได้ยินจะเป็นเสียงดีหรือเสียงไม่ดีก็เป็นเสียงทุกข์มันคือทุกข์ไม่ใช่เป็นทุกข์เฉพาะเสียงที่เข้าด่าไปสุขเสียงที่เข้าชม อันนุ้กหมดทั้งเสียงด่าดและเสียงเสียงโง่คือเสียงทุกเข้าใจไหเพราะคำว่าทุกตามกฎมังไตรลักษณ์คือเป็นทุกโดยสัจจ์ไม่จำเป็นต้องว่าเป็นทุกเดือดร้อนกับมันนะไม่ต้องไปทุกเป็นเดือดร้อนแต่ให้เห็นทุกโดยเปสัจจ์ว่ามันต้องทุกอย้ยเข้าใจไหมเห็นหมบนมาสือริยสัจเนี่ยถึงจะเป็นสติถ้าเราไม่เห็นทุก ในลูกในเสียงในกลิ่นในรสในการสัมผัสแม้ในอารมณ์ที่เกิดกับใจเราจะละทิ้งไปไม่ได้เราจะมัวยึดเหมืนนี้ น, นั่นแหละอารมณ์กนยึดอยู่ในใจนั่นแหละความโกรธเป็นความทุกข์แค่ไหนก็ตามแต่เราก็ยังยึดที่จะโกรธอยู่มันเป็นเพราะอะไรเพราะเราไม่เห็นว่าเป็นทุกข์จริงแต่เราไปเป็นทุกข์กับมันมันจึงเป็นปัญหาตรงเนี้สติคือเราต้องทราบสิ่งเหล่านี้ให้เข้าใจในขณะชีวิตของเราที่เราเป็นอยู่และกระทบอยู่ อธิบายเรื่องต่อนนี้ผู้รับรู้จบเพียงแค่นี้ไม่สามารถอธิบายไป ม, มากกว่านี้อีกแล้วเพราะมันสติก็จบแล้วถ้ามีสติพอก็อมันก็จะพัฒนาตัวของมันเองนะพอ ม, มีอะไรลึกลับซับซ้อนไปกว่านี้เราก้องมีอะไรละเอียดไปกว่านี้อีกแล้วละเอียดเ้ า, อใใจใจาเองในจิตใจของตัวเองควนมันเอียดจะเกิดขึ้นในนั้นมีถามเข้ามาอีกไหมเนี่ย สำมารถยก 4.0 นี่มันเปิดเพื่ปั๊บได้เลยเลยหมดแล้วไม่มีใครถามแล้ว แล้วพวกนอนมีใครถามอะไรมหมดนะฟังจากที่เขาถามนี้ก็กระจ่างแล้วหมดความสงสัยได้หลายเรื่องนะกฟังแาบนี้โดยตรงมันจะได้สิ้นหค่ะถ้าเปิดอย่างนั้นบางทีเราอพาวัาพวงกับนานไอ้นอนไอ้นี่เข้ามาเรื่องเรื่องอการภาวนามัน การทำอะไรมันยากในอาสาธีกิจยากยากทำไม่ได้นะทาไม่ได้เพราะทาไม่ได้แล้วทำไมมีคนทำได้ามีคนเามีความเพียรมันไม่ใช่เป็นเรื่องของการที่จะต้องมานั่งสมาธิอย่างที่เราเข้าใจจเป็นคนทนั่งสมาธิไม่ใช่เงินโราที่ไม่ใช่ที่จะนั่งสมาธิอย่างเดียวเมื่อวานนี้พูดถึงอยู่ใช่ไหมการ อะไรการเชื่อกำเชื่อเรื่องของกรรมอันนี้ก็เป็นภาวนาแล้วนะถ้าเราเชื่อกรำเชื่อเรื่องของกรรมถ้าเราพิจารณาเรื่องกรรมให้มากๆเข้าไปพิจารณ่นั้นไม่ใช่ไปคิดนะไม่ชี้คิดเรื่องกรรมนะไปพิจารณาเรื่องกรรมแล้วมันก็จะเป็นภาวนาภาวนา this จะทําให้เกิดความเห็นที่ตรงความเห็นที่ตรงจะทําให้เราเกิดความลำบีที่ตรงความําบิที่ตรงจะนําไปสู่คําพูดการกระทําการยิ่งชีพการตั้งมั่นของจิตแล้วก็ความภาคเพียรของจิตการตั้งมั่น มีสติระลึกรู้อย่างถูกต้องมันก็คือภาวนาเมืออาาม่อองค์ภาวนาเหล่านี้มันเต็มมันถึงจะนําเราไปสู่การตรัสรู้ในเรื่องเรื่องการภาวนาอันนั่งสมาธิเดินจงกมเป็นอิริยาบทไม่ใชการภาวนาเป็นอิริยาบทแต่จิตของการภาวนาอยู่ภายในจะิตคือความเห็นการตั้งความเห็นใช่ไอ้นั่งสวดมนต์ใช่ไอ้นั่งสวดมนต์ไม่ใช่การภาวนานั่นั่ง ทุาสนาพิจารณาเพิจารณาคืออาวุธทำพุทธเจ้าใช้ชีวิตเมื่อพิจารณาเสร็จแล้วปุ๊บจิตของเราจะต้องเข้ามารู้รู้สิ่งที่เราจะต้องกระทาต่อจิตให้ถูกต้องหนึ่งเราจะต้องรู้สิ่งที่เราจะต้องมาทําต่อกายสองเราจะต้องรู้นี้สิ่งที่จะต้องกระทาต่อจิตสิ่งที่เราก็ต้องกระทาต่อกายคืออะไรคือการรู้จักกายตามความเป็นจริงใช่ไหม คือกายความเป็นจริงของกายมันเป็นอะไราทั้งสี่ใช่ไหมความเป็นจริงของจิตคือนามสี่ใช่ไหมถามว่าเราจะต้องไปการแก้ไขกิเลสเราจะต้องไปดับที่กายหรือดับที่นามไหมดับที่รูปหรือดับที่นามไหมไม่หน้าที่ของเราคืออะไรดับที่ไหนับที่ ทุกเกิดขึ้นที่กายเราต้องดับที่กายไหมไม่ใช่ทุกเกิดขึ้นทางกายเราต้องดับที่กายไหมกายอะคำว่าทุกนี้ไม่ได้พูดถึงความเจ็บปวดความเจ็บป่วยเราเพียนี้นหมายถึงว่าที่เราจะต้องมีภาระในการดูแลมันเป็นความทุกใช่ไหมกายเนี่เราต้องให้ข้าวให้นะครับ ในการดูแลให้การรักษาให้สิ่งต่างๆที่พอมาพอดีกับมันเป็นทุกข์ใช่ไหมหรือเป็นสุขหรือชีวิตนี้นี่ดูแลร่ลางกายมาตลอดนี่คือสุขตลอดลเลยทุกข <c oughs> ์ก <c oughs> ใช่ไหมละ่ะคาว่าทุกข์กในความหมายเนี่ยทุกข์ทางกายเราต้องดับที่กายหรือเปล่าดับที่ใจดับที่ใจเหรอมันก็เขาเขาถามแล้วทุกข์ทางใจเนี่ยดับที่ไหนมันอยู่ที่ยอมรับมันนอะ เอางี้ได้ว่าจิตจิตกระทบกับอารมณ์เกิดอารมณ์ต่างๆนานาขึ้นทําให้เราทุกข์ใช่ไหมแล้วจะดับที่ไหนดับที่อารมณ์ไม่ใช่ดับที่ไหนอ่ะดับที่จิคือคือถ้าตามหลักวิจาศาสตร์ที่จะจับไปยังทีอื่นมันก็ต้องกำหนดรู้มาแล้วก็ยอมรับมันนั่นแหละนั่นแหละกำหนดรู้แล้วยอมรับดับที่ไหนล่ะไอกําหนดรู้แล้วยอมรับมันเราจะต้องดับมันที่ไหนหรือมันจะต้องดับที่ไหน อาจารย์ถามสองข้อแรกเอางี้ดีกว่าสัมมาทิฏฐิละอะไรความเห็ น, นใช่ความเห็นสัมมาทิฏฐิละความเห็นผิดใช่ไหมความเห็นค่ะสัมมาทิฏฐิละมิจฉาทิฏฐิเมื่อสมัมมาทิฏฐิละมิจฉาทิฏฐิได้แล้วมิจฉาทิฏฐิดับไปใช่ไหมดับที่ความเห็นใช่ไหมใช่ ไม่ได้ดับที่ตัวรูปตัวเวธานาตัวสัญญาตัวสังขารและตัววิญญาณดับที่ความเห็นจาไปมีข้อปฏิบัติดับที่ความเห็ น, มมมหนไม่ได้ดับที่ตัวไหนเลย<ม>เพราะสิ่งอื่นเป็นเพียงแค่เงาของมันเงาไม่ใช่ท เ, ท <laughs> เมันก็ต้องเกิดแล้วมันเกิดอยู่แล้วาเหมือนกับว่าเราจุดเทียนขึ้นมาแผงหนึง่งเอากระจกมาตั้งไว้ห้าใบรูปเวธานาสัญญาสังขารวิญ ญ, ญาณ เงาในกระจกที่ปรากฏคือเทียนใช่ไหม <Yeah. S 1> แสงเทียนปรากฏในในตัวกระจกใช่ไหมส่วนมากเราจะไปปฏิบัติโดยการดับอยู่ในกระจกเนี้เห็น ไ, ไหมหรือเอาเราปิดปิดบังไว้ไม่ให้เกิดเงาสะท้อนเราจะค่อยดับถามว่าดับได้ไหมหละ่ะ mm hmm. ถ้าเราดับเทียนตัวเดียวเนี่ย <Yeah. S 1> เงาที่อยู่ในกระจกจะดับไปไหม mm hmm. นี่นคือพรูเจ้าบอกว่าสร้างความเห็นที่ถูกต้องและดับให้มันถูกจุด ก็ใช่เลเพราะทุกวันนี้จิตมันจะไม่มีความเห็นแต่แส่วนมากเราจะไปกระทำไปดับที่อารมณ์อยากให้อารมณ์ดับที่ถามกันมาที่บอกอยากให้ความปรดดับ ม, ดมันเหมือนกับไปดับเงาในในกระจกอาจจะเอาอะไรไปบงังเอากระดาษไปบงังกระจกไว้ไม่สะท้อนได้ไห ม, ไมไแล้วได้สิมันไม่สะท้อนอะ่ะแต่ว่ามันเป็นการดับหรือเปล่าเหตุเป็นอยู่ที่ไหนที่แสงเทียนใช่ไหมดับที่ตัวเทียนใช่ไหมใส่เทียน การรบเวทนาสัญญาสักขันยามันไม่ใช่กิเลสผู้เจ้ายวจึงไม่ได้สอนใหล้ละคหยเอาให้รู้มันรู้มันตามความเป็นจริงว่ามันไม่ใช่ตัวปัญหาตัวปัญหามันอยู่ที่ตัวเนี้ยตัวเหตุมันอ่ะเ <Okay. S 1> ข้าใจปะเข้าใจแล้วเ <Okay. S 1> ข้าใจแล้วแต่ทำเว <Okay. S 1> ลาทำมันก็ไม่ค่อยเข้าใจ ต้องอย่างนี้ต้องมาบวชแบบนี้ได้อยู่เนี่ยไมต้องมาจำกับตัวเองว่าต้องมาบวชอีกแล้แวครับอาจารย์แต่จริงๆนะถ้าถ้าอยู่บ้านมันก็เป็นอีกสี่งหนึ่งต้องต้องาี<ะ>มันเนที่จะเพียงจากจากนั้นก็คืต้องเพียงละแต่อยู่บ้านมันเพียงแคได้แต่ว่ามันเพียงต้องใช้เยอะอ่ะต้องใช้สติเยอะมากเพราะมันสียงแวดล้อมมันมีอะไรเข้มาทาให้เราฟุ้งรายอยู่ตลอดเวลาก็เพแค่ก็เป็นแค่เพสะท้อนแบบกระจก าาพยมทไม่ต้องไปพยายามก็แค่มันแค่เครื่องสะท้อนเรารู้แค่นั้นเองรู้ตามความจริงว่ามันแค่เครื่องสะท้อนของความมีชีวิตอยู่ทุกเนี่ยมันให้ประโยชน์อะไรกับเราทําไมชีวิตต้องมีความทุกข์มันก็เป็นตัวที่ทําให้เราเบื่อเบื่อการเกิดอใช่ความทุกข์มันกำลังจะสอนให้เราไปรี้ย่เข้มแข็งก็ในส่วนนึงเนเข้มแข็งแล้วทาให้เราเบื่อเบื่องานการเกิดแล้วอยากที่จะหลุด า ค, คนที่มีความสุขโดยตลอดเนี่ยเข้มแข็งไหมถูกแดดก็ไม่ได้ไงอากาศม ร, ร้อนมาหาแอร์อยู่แล้วแล้วคนที่อยู่ตามตําตทําการงานอยู่กับชาวไร่ชายนาเนี่ย<ๆ>เขาบเคยกลัวแดดไหมถ้ากลัวแดดจะไปทําได้หรือยังไม่ล่ะง่ามันควา่าความทุกข์มันสอนให้เรารู้จักเป็ผู้ที่เข้มแข็งแล้วความเข้มแข็งจะทําให้เรามีปัญญา ถ้าเราไม่เข้มแข็งเราไม่สามารถเผชิญกับความทุกข์ได้เราจะไม่มีปัญญาเราจะจำท น, นต่อธรรมชาติที่มันเป็นอย่างนั้นคือธรรมชาติมันเป็นทุกข์อยู่แล้วเราจะมีความกลัวถ้าเราไม่เข้มแข็งความกลัวจะทำให้ปัญญาพื้นบดความกลัวความโลภถ้ามีโทษมันก็จะทําให้เรารู้สึกไม่มีสติเอาละ ว, วันนี้ก็พอสมควรแก่เวลา เอวางฮะอ้าวไม่ได้เอวังง่ายๆนะ <c oughs> นาลาจิจิ น, จนถามว่าพระขับรถได้ไหมครับ <c oughs> ไม่ได้มีข้อห้าม <c oughs> ไม่ได้มีข้อห้ามการขับรถมีร้าพุทธการก็มีเกวียนพระไปขับเกวียนห้ามขับ กวนที่เทียมด้วยโคตัวเมียมห้ามขับเวียนทั้งทั้งโคตัวเมียมโคตัวผู้ด้วยทั้งหมดแล้วม่้ประมาณเนี้ยห้ามขับเกวียนเทียมโค อ, อย่างเงี้ยคือพระองค์ทั้งเทียมโคทั้งเทียมสัตว์ต่อพระองค์ไม่ไม่อยากที่สัตว์เนี่ยทุกข์ทราทมานทรมานเื่อได้รับความลําบากตอนที่อาตมาไปอินเดียไปนั่งรถมา้า อาตมานึดถึงพระบัญญัติข้อ น, นี้เลยทำไมพระเจ้าไม่ให้นั่งพิกสูบขับเวียนเทียมสัตว์โอ้ไอไอคนขับม้ามันไอมา้าตัวนี้มันคงจะหลายเที่ยวแล้วมันขี้เกียจที่จะเดินไปแล้วมันข่ำเรื่อยๆคงจะไม่ได้รับอาหารคงจะเหนื่อยไอไอคนขับก็ตีแทะฟาดตีให้มันไปนะมันก็ไม่อยากจะไปก็แทะฟาดลงก็เพีย้ยวเพี้ยวเพียวอะน่ยเราก็เห็นน้ําตามันไหลออกมา มันก็ไม่อยากจะไปมันก็ตีไปให้ไปจะได้มันก็ไปแบบขี้เกียจนะเนี่ยก็เลยตั้งแต่นั่งมาที่ฐานเนยจะไม่นั่งรถม้าอีกเลยตลอดชีวิ ต, ต น, นั่คือดวงวิญญาณพอดเนี้อ่าถามว่าพระขับรถได้ไหมไม่ได้ห้ามไม่มีข้อห้ามได้หรือไม่ได้ก็ไปคิ ด, คดกันเราเองแต่ไม่ได้มีข้อห้ามถามว่าพระที่ได้ยกย่องว่าเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาในพุทธการ ก็พระอรหันต์ทั้งหลายเป็นที่รักของเทวดาและมนุษย์ในทางพุทธการพระอรหันต์บาลีเจ้าทั้งหลายถามว่าสร้างเจดีมีมีอะไรว่างๆมีไหมครับมีไหมครับเหรอนีสร้างเจดีมีไหมครับ เจดีเจดีไม่มีการสร้างในคำพุทธการ <JD. S 1> ใช่พุทธการไม่มีการสร้างเจดีงงงงไห ม, งงไหมสร้างที่ไหนที่้เจ้าท่านป็นนิพพานปใช่การสร้าง หลังจากรพระองค์ปฏิญญาแล้วก็ไม่มีการสร้างเจดีย์สร้างเพื่อเก็บอัฐิเออมันสร้างที่เก็บอัฐิมีแต่ไม่ได้สร้างเจดีย์เพื่อเก็บอัฐิอ๋อยิอนดีกว่าตอาจะพูดเรื่องเจดีย์เนี่ยคนเข้าใจว่าเจดีย์คือคือคือสิ่งที่สร้างขึ้นมาเพื่อบรรจุพระบรมธาตุใช่นะ เราจึงมีมีเจดีทรงสร้างขึ้นมาแบบยอดแหลมแหลมใช่ไหมเจดีความหมายของเขาว่าเจดีไม่ใช่สิ่งนั้นใครพูดถึงการเขาสร้างสถูปเขาไม่ได้สร้างเจดีย์สถูปเป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุอันที่ไปบรรจุเนี่ยพระบรมสารีริกธาตุหรือสิ่งที่เขาไปบรรจุเรียกว่าเจดีย์เข้าใจไหม เข้าใจไหมทีนี้เขาจึงเรียกทั้งสถูปที่เอาพระบรมสารีริกธาตุเข้าไปเนี่ยเขาเรียกทั้งสถูกกันว่าเป็นเจดีย์แต่ที่แท้จริงแล้วความหมายของคำว่าเจดีย์คือสิ่งที่ก่อให้เกิดความระลึกถึงระลึกถึงผู้ที่ล่วงไปคือผู้ได้เจ้าเราใช่ไหมล่ะพระบรมสารีริกธาตุเป็นเจดีย์ต้นโพที่พระองค์ทรงตรัสรู้ก็เป็นเจดีย์สถานที่พระองค์ประสูตนก็เป็นเจดีย์ คือสิ่งที่ก่อให้เกิดความระลึกถึง mm hmm. จิตธาตุในความปอบธาตุแห่งความปอบก่อให้เกิดความระลึกถึงเข้า mm hmm. ใจไหมระ mm hmm. ล, ลึกถึงใครระลึกถึงผู้ประเสริฐคือผู้ทีเจ้าพัฒน์ประสงค์ mm hmm. คําสอนของพระเจ้าก็เป็นเจดียเข้า mm hmm. ใจไหม mm hmm. คือทํารรมเจดี mm hmm. ใช่ mm hmm. เครื่องบริโภค คือจีวรของพระองค์นี้ก็เป็นเจดีรองเท้าของพระองค์ก็เป็นเจดีที่ mm. พักกุติของพระองค์ก็เป็นเจดีไม่ใช่ต้องไปสร้างเจดีใหญ่ๆที่จะเป็นเจดีไม่ใช่นะประแจแล้วสร้างเจดีใหญ่ๆแต่ไม่มีพระบรมสารีริกธาตุของพระเจ้าบนจุกในนั้น mm. ก็ไม่ได้ชื่อว่าเป็นเจดีเพราะไม่มีพระบรมสารีริกธาตุอ mm. ันนั้นเราใช้ความหมายว่าเจดีผิดที่เขาสร้างทำบริการมก็เล่าสกุล เจดีย์นิทราบารีแปว่าอะไรสิ่งที่ก่อให้เกิดการระลึก ถ, <ช>ถึงอุกอย่างที่เป็นของพระสัมาสัมพุทธเจ้าเรียกว่าเป็นให้เธอรู้พระเจ้าได้ใช่ระลึกถึงต้องเป็นระลึกถึงพระพุทธเจ้านะเป็นเจ ด, ดีย์ดียว่าคุณอยู่ไ่เกี่ยวเจดีย์นรพระพุทธเจ้าจึงจัดตัดเจดียดด์ไว้ไวสี่ประเภทเลดสี่ลษสามประเภท นะฟังให้ดีนะเจดีโรองค์ทรงตัดใบมีอยู่สามประเภทคือสิ่งที่จะกอให้เกิดอาการระลึกถึงพระองค์เนี่ยมีอยู่สาม ป, ประเภทประเภทแรกเรียกว่าธาตุเจดีธาตุเจดีนี้มีก็ต่อเมื่อหลังผู้ทรงปริริพานไปแล้วคือพระอาทิตย์ักของพระองค์ น, <ม>นั่นคือธาตุเจดีสองบริภโภคเจดี JD คือที่ที่พระองค์ทรงใช้สอย ที่ประสูตที่ตรัสรู้ที่พระนิพพานที่แสดงคําเทศนาที่พักอาศัย<ม>เครื่องบริขังพรสปเป็นบริโภคกินแล้วอันที่สามอุดเดศิกาเจดีย์อุดเดสิกาเจดีย์น<ม>ี้ดดนพระองค์ทรงตัดไว้ว่าไม่มีวัตถุปรากฏเป็นสิ่งที่เลื่องด้วยพระตถาคตคําว่าอุดเดสิกาเจดีย์ถอดศั์ออกมา อุขึ้นอุแปลว่าขึ้นมันแปลว่าอุขึ้นนอกเป็นอุปสรรคนามอุปสรรคอุขขึ้นทำแปลว่าขึ้นเทศิกะคือการแสดงเข้าใจไหมสิ่งที่แสดงให้เห็นสิ่งที่ถูกแสดงขึ้นมาให้เห็นถึงการละลึกถึงพระพุทธเจ้าก็คือพระธรรมคำสอนของพระองค์พระธรรมคำสอนจึงควรจะเป็นอุทเทศิกะเจดี แต่แบบเรียนปริยัติธรรมทุกวันนี้เขาบรรจุพระพุทธรูปเป็นอุเดศิกาเจดีซึ่งจะขัดแย้งกับคำํำทูปงทรงจ่าไปว่าอุเดศิกาเจดีนั้นไม่มีวัตถุปรากฏพุทธรูปเป็นปักเป็นวัตถุใช่ไหมจึงไม่จัดอยู่ในอุเทศิกาเจดีแบบเรียนนี้จึงจึงไม่ถูกต้องแต่เขาก็ยอมรับว่าเป็นแบบเรียนที่ถูกต้องแต่ขัดกับพระพุทธพจน์ขัดกับคำสอนพระพุทธองค์สิ่งที่ควรจะเป็นอุเดศิกาเจดีก็คือธรรมะ บุคคลใดก็ตามเป็นผู้สแสดงธรรมบุคคลนั้นก็คืออุเดศิกะเจดีใครก็ตามสแสดงธรรมบุคคลนั้นชื่อว่าอุเดศิกะเจดีตัวคนไม่ใช่เจดีแต่ธรรมที่คนนั้นพูดหรือสแสดงออกไปเป็นเจดีควรค่าแก่การเคารพสักการะบูชาโยมวันไปคุยพูดธรรมะคุณไปฟังสิ่งที่โยมวันพูดเป็นอุเดศิกะเจดีโยมน้องไปพูดธรรมะตอ่อให้คุณไปฟังสิ่งที่โ ย, ยมน้องพูดก็เป็นอุเดศิกาเจดี เด็กไปพูดธรรมะเด็กนะั้นคำพูดของเด็กนั้นก็เป็นบุเดสิกาเจดีควรกล่าวไบไม่กระทั่งเด็กนะั้นผู้ใหญ่ก็ควรกล่าวให้ <c oughs> ไ่ธรรมดานะบูเดสิกาเจดีไม่มีวัตถุปรากฏแต่เป็นสีที่เรืองด้วอกทักษะพจน์จบไปสร้างเจดีให้รู้ว่าผิดสร้างผิดได้บุญรู้เรื่อ <c oughs> <c oughs> อาจารย์กาขัดยแ <c oughs> ย้งเขาไปอีแม่ ให้รู้ว่าพิดสร้างพีดในบุญดูเนี่ยอาจารย์ก็ขัดแย้งเขาไปอีกแล้วนั่นเป็นอะไรที่สุดที่ถูกต้องขัดต้องถามว่าคนที่รักษาสัจจะตลอดชีวิตตั้งไว้ในใจดืีไหมครับสัจจะมันมีทั้งดีและไม่ดีครูจะวก็ให้ใช้สัจจะในการบางาังคับเช่นอธิษฐานรักษาทุดงโป้ ก, ก็ให้ใช้บังคับไม่ไม่ ไม่จะเป็นมีบางอย่างที่ให้อธิษฐานรักษาตลอดชีวิตก็มีก็ได้อนนั้นได้แต่บางอย่างอธิษฐานรักษารักษาพุดงตลอดชีวิตไม่ได้เช่นเนสัติกรพุ่งอธิษฐานรักษาเป็นสัจจตลอดชีวิตให้ได้ถือผ้าสามพื้นตลอดชีวิตเนี่อรักษาเป็นสัจจได้ตลอดชีวิตบิดาบาตตลอดชีวิตถือเป็นสัจจได้คือตั้งขึ้นเพื่อเป็นสัจจ หรือไม่รับเงินรับทองเป็นสัจจตลอดชีวิตได้ไหนเป็นพ่อเมียนายอยู่แล้วตลอดชีวิตแต่เอามาเป็นสัจจอีกก็ได้คือสร้างสัจจขึ้นมาสร้างสัจจมาจากความดีความดีบางอย่างให้ทําชั่วครั้งทั่วคราวเพื่อแก้ไขบางสิ่งบางอย่างในคราวครั้งนั้นที่เกิดขึ้นในจิตพอแก้ไขเสร็จแล้วก็ไม่ต้องทําอีกก็ได้แต่บางสิ่งบางอย่างถ้าสร้างสัจจขึ้นมาเพื่อสื่อพอดแนวทางในการปฏิบัติเช่นถือทุณดวงัดบางทอด ที่ที่ควรจะกระทำเช่นชั้นวัเดียวเป็นวัดตลอดชีวิตก็สร้างสัจจะขึ้นมาเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติได้เนี่ยเพราะฉะนั้นสัจจะบางอย่างควรักษาตลอดชีวิตก็ควรบางอย่างก็ไม่ควรรักษาตลอดชีวิตต้องแยกแยะให้ออกตามสฤษฎปัญญาและกําลังในการประพฤติของต น, นเองกระทาไม่ได้ตลอดชีวิตแล้วไปไปทําเช่นข้าข้าพระเจ้าจะไม่ฆ่าสัตว์เลยตลอดชีวิตเป็นสัจจะถาภาสัจจะก็คํา ยังไม่หล่ะการรักษาศีนษะดีแต่ไป่ตั้งตั้งสัจจญาณที่จะรักษาตลอดชีวิตเนี่ยอาจจะไม่ดีถ้าทําได้นะ่ยดีไหมดีได้ทั้งสัจจญาณได้ทั้งความดีด้ว ย, ยนี่นพระยาจึงบอกให้มีสมาทานในการบางพาอยใช่ไหมล่ะแต่ทำบ้างสิบห้าบ้างแต่ถ้าใครได้ตลอดชีวิตดีไหมดีเป็นความดีแล้วได้ความรู้มากทับสาทุโอ้ไม่น้อยเลยนะความรู้นี่เนาะ ได้มากหมดหมดหมดจริงๆแล้วมั้เนี่ยหมดจริงๆแล้วถ้ามีถามเข้ามาก็จะขอปัดไปเป็นการไลฟ์ในค่าวครั้งหน้านะขอใช้เวลาพอสมควรแต่เพียงเท่านี้เอวังขอให้ญาติโย่ทุกท่านจงมีความสุขความจเจริญทุกคนเทอ namo ah.